ตัะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาราสะโพอเนเกสุเวสุติงสะปารมี นามหามิสิราสาณิจจังปุเรตวะอาคตววรังโมขังนาโทภิชันโตดวาวยังหิตวะสระตะกลางโมทังวเนสุดุการังนามามิสิราสาดารัง พระนราสพะผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีสาสิบทัศนับพบนับชาติไม่ทวนได้ทรงเสด็จมาดีแล้วข้าพระเจ้าข อ, อนอบน้อมกราบไหว้พระนราสพะผู้ประเสริฐพระองค์นั้นด้วยเสียเกล้าวเป็นนิดพระนาถาเจ้าทรงปรารถนาโมกษธรรมสระพระราชาโอรสและพระมเหสีทั้งสองพร้อมด้วยแว่นแขว้นน้อยใหญ่แล้ว ทรงรื่นลมในภัยสนข้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียนเกล้าตัสสามูลังมหายโนโอเปสเโเพธิมันดเดรตัสสะบุทธสปาเดจาสะโพดยโยนา ม, ามิหัง พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงมีพระยานอันยิ่งใหญ่เสด็จเข้าใกล้ควงไม้โพธิพึกข้าพระเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยโพธิพึกแห่งนั้นด้วยความเคารพอย่างสูงภควาภคมเคนาปัญจมาเราเสสะโต พันจิตวานาสิคาปโตสปพัลลังกังนามามิตังขันตวามุนิวโรตัมหาอานิมิเสวราสนีคาคเนปุณจันโดวาสานิมิสังนามามิตัง วันตามิโซนเพนาโททศตวาปาติหาริยังวาสาโดวิยาจังกมีสจังกมังนามิตหังตรณัดทิตสังกาโสโลกะโครัตนาคเรโตเซสิชนังรังเสหี พระศักราหังนามามิตังพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชนะมารทั้งห้ามีกิเลสสมารเป็นต้นจนถึงมัจจุมารคือความตายเป็นที่สุดพร้อมด้วยกองทัพโดยสิ้นเชิงด้วยอรัตมะขยานพระบรมศ า, ศาสดาทรงบรรลุอนุตตรสมาทิฏานแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยโพธิบัลลังก์นั้นพระจอมมุนีเสด็จออกจากโพธิพึกแล้วเสด็จประทับยืนณสถานที่อันประเสริฐ ด, ด้วยพระเนตรที่ไม่ทรงกระพริบเปรียบดังพระจันทร์วันเพน่นบนท้องฟ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระจอมุนีพระองค์นั้นพร้อมด้วยสถานที่ประทับยืนนั้นด้วยเสียงเกล้า พระนาถาเจ้าผู้คลายอามิตรแล้วทรงแสดงยะมะกกปติหารอันน่าอัศจรรย์พระบระมาศา ส, าสดาทรงเสด็จจงกรมองค์อาดังราชสีนรัตนาจงกรมเจดียเหล่านั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนาถาเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยสถานที่จงกรมเหล่านั้นด้วยความเคารพพระไตรโลกนาถผู้เปรียบเสมือนเสาเขื่อนอันมั่นคง สเสด็จประทับอยู่ในรัตนคระเจดีกล่าวคือเจดีเรือนแก้วทรงยังมหาชนให้สมานาฏด้วยพระสมีกล่าวคือพระชับพันรังสีทั้งหประการข้าพระเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระไตรโลกนาถพระองค์นั้นพร้อมด้วยรัตนคระเจดีเจดีเรือนแก้วนั้นด้วยความเคารพอย่างสูงขอนอบน้อมพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอนอบน้อมภาเรียสงสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเมื่อเพื่อขอความเจริญในธรรมจงมีแดดพุทธบริษัททั้งหลายที่ตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติเดินตามรอยบาทพระบรมศาสดาอย่างมุ่งมั่นเราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสาเป็นพุทธบริษัทได้มีโอกาสฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกว่าเป็นบุญอันใหญ่หลวงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับนแคว้นวิเทหะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มู่ใหญ่พราหม์พรา ม, พร ม, มายุพร า, มพรามหมณ์เป็นพรามณ์ผู้ใหญ่เป็นพราหมณ์ผู้เท่าในนครมิถิลาแคว้นวิเทหะเป็นพราหมณ์ผู้เท่ามีวัยชราแล้วอายุร้อยยี่สปีรู้ไตรเพศเชี่ยวชาญในศาสตร์ทุกศาสตร์ ทั้งทางคดีโลกอย่างช่ำชองรู้มหาปุริสละขณะ32ประการและรู้อนุพยัญชนะ80ประการได้ยินติดเกียรติศัพท์อันงามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าแม้พ่อเหตุอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้พราเหตุแ่งบารมีสิบอุปบารมีสิบและปรมาภิบาลมีสิประการแม้พราะเหตุแห่งพระบารมี30มสิบทัดตอนนี้พระรหัารได้อุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลก พระ อ, องค์นั้นเป็นผู้กำจัดวาสนาพร้อมทั้งกิเลสน้อยใหญ่ได้โดยสิ้นเชิงพระบรมศาสดานั้นตัสรู้อริยสัจสีได้ด้วยตนเองพระผู้มีพภาคเจ้าถึงพร้อมด้วยวิชา8ดและจรณาสหพระพุทธเจ้านั้นทรงรู้โลกทั้งสามคือสัตวโลกโอกาสโลกตลอดถึงขันธโลกทั้งหลายเป็นต้น ส, ส, สังขารและโลก พระปรมศาสดานั้นทรงแสดงธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางในที่สุดทรงประกาศพรมาจารย์กล่าวคือศาสนาปรมาจารย์อันมีความงามในเบื้องต้นท่ากลางที่สุดถึงพร้อมด้วยสิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาบรรดาประชาสัตท์ทั้งหลายที่มีศรัทธานในพระผู้มีพภาคเจ้าก็น้อมนมัสการพระพุทธเจ้าเมื่อเข้าไปฟังพระพุทธเจ้าแล้วก็พากันแทงตลอดอริยสัจสีตามพระพุทธเจ้า พร ะ, ระบรมศาสดานั้นทรงจำแนกแจกแจงพระธรรมราตนะประชุมในกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายได้อย่างหมดจดสัตว์เหล่านั้นเดินตามรอยบาทพระศาสดาแล้วก็พากันกร่มกราบนมัสการแล้วก็น้อมประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธโอวาทไว้ได้วยความเคารพอย่างสูงไม่มีท่านผู้ใดเลยที่จะบิดพบิ้วพระธรรมคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พรมายุพรามได้ยินเกียรติศัพท์อันงามของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นว่าพระพุทธเจ้านั้นมีพระจริยาคุณบำเพ็ญบารมีมา30บทัศพระบรมศาสดานั้นมีพระสรีละคุณที่มีความงดงามอย่างยิ่งมีพระเนตรก็งดงามมีพระเมวรีก็งดงามมีพระนาสิกก็มดงามมีพระกันก็งดงามมีลัมปะสองงดงามมากมีพระรกายตั้งตรงดุจต้นนิโคดมีลัมปะพาหากงดงามมากมีพระชงดุจแข้งเนื้อทาย มีความงดงามสมบูรณ์โดยมหาบุธธรีสัธรลักษณะ32ประการและมีอนุบัญญัติแประการเกิดขึ้นในบุญกรรมที่สั่งสมมาอย่างยาวไกลพอได้ยินอย่างนั้นแล้วก็อยากจะพิสูจน์พรามณ์นี้ได้ยินอย่างนั้นแล้วได้ยินเกียรติศัพท์อันงามของพุทธเจ้าอย่างนั้นแล้วก็จึงส่งมานอบที่เชี่ยวอุตละเนี่ยที่เป็นสิทธิ์ที่รอบรู้ไตรเพศเชี่ยวชาญในไตรเพศในคมพี ศาสตร์และช่ำชองในมหาปุตตะขณะให้ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอบสวนดูว่าเป็นจริงตามกิติศัพท์อันเล่าลือนะั้นหรือไม่สอ่งอุตรามานพเนี่ยไปคอยดูทั้งกลางวันกลางคืนดูตลอดเลยนะโยมนะดูต้องการอยากจะรู้ลักษณะของมหาบุรุษว่าถ้ามีลักษณะครบ32บประการเป็นต้นเหล่านั้นแล้วจึงจะเป็นพระพุทธเจ้าฝ่ายอุตรามานพรับคาของอาจารย์แล้ว ติดตามไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเฝ้าสังเกตตรวจตรูพระวรากายทุกส่วนของพระพุทธเจ้าบางส่วนที่เห็นได้ยากพระพุทธเจ้ า, ก, าก็แสดงอิทธาพิสังขารแสดงโดยฤทธิ์ให้เห็นและบางอย่างก็ไม่ต้องแสดงฤทธิ์เพียงแต่เปิดโอกาสให้เห็นอย่างธรรมดาในขณะเดียวกันก็ได้สอบสวนมหาุริศลขณะที่ปรากฏในพระวรากายของพระพุทธเจ้านั้นในครบทั้ง3าประการ นอกจากนั้นอุตตรามานพยังไม่จุใจนะยังเฝ้าติดตามดูพระอริยาบทต่างๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าในขณะที่พระบรมศาสดาทรงสเสด็จ ด, ดำเนินเป็นอย่างไรดูมีความงดงามไหมในขณะที่ประทับยืนเป็นอย่างไรมีความงดงามสมความเป็นพระเจ้าไหมในขณะประทับนั่งเป็นอย่างไรแม้ในขณะที่พระบรมศาสดาบรนทมอยู่ก็ยังไปแหวกม่านดูนะ ยังไปแวกม่านดูคือต้องการอยากจะตรวจดูว่าพระเจ้าเนะี่ยเป็นพระเจ้าจริงหรือไม่แม้ตอนที่พระบรมศ า, ศ, าศาสดาทรงเสวยพระกยาหารก็ไปคอยตรวจดูติดตามประดุจเ ง, งาตามตัวอย่างนั้นเดเดือนเนี่ยโเจดเดือนเนี่ยเจเดือนอาการที่ประทับอยู่ในถ้ำกลางบริษัทและตอนตรัสพระธรรมเทศานานั้นเป็นอย่างไรดูตลอดอย่างเงี้ยใช้เวลาตรวจอุตรามานพตรวจติดตามดูพุทธเจ้าโดยละเอียดตลอดเวลาเจเดือน ดูทุกเรื่องเห็นไว้ไงว่านักวิชาการขนาดโออิเอกอูเนี่ยระดับเป็นสิทธ์เอกของพรมายุพราหมเนี่ยฟังคําของอาจารย์แล้วต้องไปการต้องไปดูหน่อยว่าเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่จริงเราเนี่ยไม่ต้องไปตรวจขนาดนั้นหรอกขอให้เราเชื่อแล้วปฏิบัติตามพระธรรมของพุทธเจ้าเถอะอะไรทึ่ไม่ใช่คําสอนพุทธเจ้าเนี่ยก็อย่าไปทําแค่นี้แหละ นี่หมาว่าอุตรามานพเนศเจดเดือนกลับไปรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับในเรื่องของมหาภริสราขนาดสมสประการและพะวรากายจนอิริยาบถน้อยใหญ่ของพระเจ้าให้พรมยุพรามฟังทุกประการพออุตรามานพรายงานจบอาจารย์ซึ่งเป็นพรมยุพรามซึ่งนั่งฟังอยู่นั้นน่ก็ลุกจากอาสนะ ทำผ้าหม่มเฉียงบ่าประคองอัญชลีไปทางทิศที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่แล้วก็เปล่งอูทานว่านะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองขอนอบน้อมพระธรรมที่พระองค์ทรงตัดสรู้ด้วยขอนอบน้อมอริยสง์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเป็นต้นเห็น ไ, ไหม เนี่ยเพียงฟังแค่นี้แหละท่านรู้ทันทีว่าท่านผู้นี้เป็นใครไปไม่ได้ต้องเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนนั้นใจที่ท่านน้อมถึงในกรณีอย่างเนี้ยแปลก็เกิดความรักเกิดความเชื่อมั่นว่าท่านผู้นี้เป็นพระพุทธเจ้าจริงๆไม่ใช่เป็นบุคคลอื่นเลยอย่างนี้เป็นต้นลักษณะอย่างนี้เนี่ยเป็นลักษณะของคนมีปัญญาเมื่อฟังแล้วก็เชื่อมั่น ในพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงมีความเคารพอย่างเอื้อเฟื้อสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าจาริกไปนในแคว้นโกศลพร้อมด้วยลิกษุ่สองหมู่ใหญ่แวะพักหน้หมู่บ้านชื่อว่าปัญจลกับปะาปะัสพภัททิป่ามะม่วงของโตทยพราหมณ์เนะืครั้งนั้นนางธนัญชานีพราหมณ์เนี่ยเป็นพระโสดาบันมีความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้า เชื่อมั่นในพระธรรมเชื่อมั่นในภาริยสงส์งั้นคนที่เป็นภริยานี่นะท่านมีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวมีศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของภริยสงส์แล้ว <parce them> ก็ตั้งมั่นในกุศลศีลไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุไม่เป็นรูฉะนั้นศีลก็บริสุทธิ์ศีลและทิฏฐิคือความเห็นกระตรงตามพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นางธนัญชาติเนี่ยเป็นพระโสดาบันเลื่อมใสในพุทธเจ้ามากแม้เมื่อเธอจะไอจะจามแม้จะสะดุดลื่นล้มเนี่ยก็ระลึกถึงพุทธเจ้าก็จะเปล่งอุทานบอกนะโมพุทธสัจนั้นจะเป็นประโยคติดตัวเลยทุกครั้งที่ตกใจเนี่ยไอายจามทั้งหลายก็จะบอกนะโมพุทธสัจขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าทุกครั้งนะโมพุทธสัจนะโมพุทธสัจ เ ห, หเป็นประโยคติดตัวเองว่าข อ, นอบน้อบนพุทธเจ้าขอนมัมสการพุทธเจ้าขอกราบไหว้พุทธเจ้าและลึกถ้าทำอะไรรู้สึกจะผิดพลังเผลอไปใดๆก็จะอุทานออกมาว่านะโมพุทธสัจนะโมพุทธสัจยอมมีไหมทุกครั้งที่ยอมเกิดทุกใจไม่สบายใจหกล้มหรือลื่นล้มหรือจะไอจะจามเนี่ยอุทานแบบนี้ไหม อุทานว่านะโมพุทธสระนะโมพุทธสระไหมหรือไม่มีเลยหรือไปเรียกชื่อลูกชื่อหลานไปทั่วเลยใช่ไหมนี่บ่งบอกถึงกระแสใจของสัตว์โลกในยุคนี้ห่างไกลจากพระพุทธเจ้ามากวันหนึ่งเนี่ยสามีของพระนางนี่ยเออเขาซื้อสามีของนางเออแต่ยังไงแต่สามีของนางชื่อว่าภาระทวราชเนี่ย ภาระทวาชาพราม์เนี่ยเป็นพรามเนีไม่นับถือพระพุทธเจ้าเออวันหนึ่งสามีก็ขอนางว่าต้องการจะเลี้ยงอาหารแก่พรามห้าร้อยต้องการจะเลี้ยงอาหารแก่พราม5้0ร้อยคนไม่นับถือพรามก็บอกนางว่าวันนี้ขอร้องนางว่าอย่าได้กล่าวคาว่านโมพุทธสารนะ พราะกลัวพรามณ์เนี่ยจะโกรธกลัวพระของตนเองที่เอามาที่วัดจะโกรธแต่นางไม่ยอมเดยกล่าวว่าพ่อพรามณ์ฉันทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกเห็นไหมยืนยันดันดีเลยฉันทําไม่ได้ที่ฉันจัดการงานดีโดยฐานะเป็นภรรยาของพ่อเนี่ยส่งข้อะคนข้างเพียงของพ่อดี ไม่นอกใจไม่ดูหมิน่นและดิฉันเนี่ยขยันในกิจการทั้งปวงทากิจในฐานะเป็นภรรยาเนี่ยก็เพราะอะไรก็เพราะว่าพระพุทธเจ้านี่แหละก็เพราะพระธรรมนี่แหละก็เพราะอริยสงฆ์นี่แหละพุทธรัตนะธร ร, รมรัตนะและสังขรัตนะเนี่ยมันประชุมเป็นเนื้อเป็นตัวของดิฉันแล้ว ฉะนั้นที่ดิฉันเนี่ยมีจารีศีลกับคุณพ่อกับพ่อเนี่ยในการจัดการงานดีสงข้อคนข้างเคียงของพ่อดีในการที่ไม่นอกใจไม่ดูหมิน่นในการขยันในกิจการทั้งปวงในการให้ทานในการรักษาศีลในการประพฤติปฏิบัติทั้งหลายเหล่านี้อันนี้มันเป็นเนื้อเป็นตัวมันเป็นเนื้อเป็นตัวในฐานะที่ฉันทำอย่างนี้แล้ว ในกรณีที่ฉันไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่กล่าวเท็จไม่กล่าวส่อเสียดไม่กล่าวคําหยาบไม่กล่าวเพ้อเจ้อที่ฉันไม่โลภไม่โกรธและฉันมีปัญญาคิดเห็นอ่านตามความเป็นจริงเนี่ยก็พระราตนะไตรมันเป็นเนื้อเป็นตัวฉันเรียบร้อยไปหมดแล้วคุณพ่อแยกฉันออกจากพระราตนะไตรยไม่ได้แล้วเพราะพระราตนะไตรยนั้นฝังอยู่ในกระแสชีวิตจิตใจฝังอยู่ในกระแสชีวิตจิตใจแล้ว พ่อพามแม้พ่อจะเชื่อชั้นเป็นชิ้นชิ้นชันก็ไม่ยอมงดกล่าวคําสอนหรือกล่าวคํานอบน้อมของพระเจ้าอันประเสริฐอย่างแน่นอนแม้จะตัดเนื้อเป็นชิ้นชิ้นตัดเนื้อเป็นชิ้นชิ้นตัดยังไงเนี่ยตัดออกเนี่ยที่จะให้ชั้นเน่ยพากออกจากพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตระนะไม่ได้แล้วและจะให้ชั้นไปปฏิบัติผิดอีกเนีั้นทําไม่เป็นแล้วฉันไม่ทําแล้ว พอใจฉันน่ยจะต้องเป็นไปกับพระธรรมคําสอนพระธรรมเป็นธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วตรัสไว้ดีแล้วเมื่อพระเจ้าตรัสไว้ดีทุกถ้อยคําทุกอัฏฐทุกพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนฉันจึงไม่มีประเด็นใดที่จะต้องมาบัญญัติศัพท์ใหม่ที่นอกจากคําสอนพระเจ้าเอามาปฏิบัติ นั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกสอนว่าอาณาปานสติเนี่ยทำแบบนี้ดิฉันก็เจริญอาณาปานสติจนเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการแทงตลอดสัจจะสีได้และฉันจะไม่พลิกแพงการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าบอกไว้เป็นเด็ดขาดเพราะเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคำสอนของพระบรมศาสดาที่ตรัสไว้เนี่ยถึงพร้อมด้วยอัตตะคือเนื้อความและพยัญชนะครบถ้วน ฉันไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะต้องมาเพิ่มอัตถาเพิ่มพยัญชนะของพระพุทธเจ้าเพราะที่ฉันไม่ใช่สับพันญูแต่ดิฉันเนี่ยเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าใจไหมว่าทําไมนางธนัญชานีพารามณเนี่ยจึงยืนยันชัดเจนว่าจะไม่ปฏิบัตินอกลอยที่พระพุทธเจ้าบอกไว้อย่างเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะมั่นคงเพราะเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้ากล่าวอย่างไรเนี่ยก็ทําอย่างนั้น พระธรรมที่พระเจ้าเนี่ยบอกไว้อย่างไรก็เดินตามปฏิบัติตามอย่างครบถ้วนทีท้วนละเอียดละออไม่มีปฏิบัตินอกแถวที่พระาศาสดาทรงบอกไวท้ทีนี้ที่สดจริงๆพราหมณ์ก็บอกว่าเมื่อไม่ยอมงดกล่าวคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐอย่างแน่นอน ในที่สุดพรามก็เป็นสามีก็เลยยินยอมตามใจนางก็เลยบอกว่าถ้ายังไงก็อย่าพูดดังไว้ก็แล้วกันใช่ไหมอย่าอย่าพูดดังเวลาพระของฉันมาเนี่ยอย่าเอ่ยถ้าจะเอ่ยชื่อของพระเจ้าเนี่ยก็ให้เก่งออกเก่งใจกันว่างทั้นิดในวันเลี้ยงพระทหารนางพรามณีเนี่ยนางธนัญชานีพราม ถืออาหารไปก็เดินสะดุดล้มทำให้นางเจ็บปวดมากก็ละลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ปนมมือเหนือศีรษะหันหน้าไปทางทิศไม่ใช่ไม่พูดธรรมดาแล้วโอ้โหทำเต็มรูปแบบเต็มชุดเลยหันหน้าไปทางพุทธเจ้าแล้วบอกวัานะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลาจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้ใยพระองค์เองพอฟังอย่างนั้นพราหมณ์พราหมณ์ที่มากินอาหารกันทั้งหมดห0 0รเห็นกันก้นโกรธเลยเพราะเอ๊ะทำไมพระยางท่านผู้นี้เอ้ยนี่ชื่อของพพุทธเจ้าตอนหน้าพวกเราพากันลงจากบ้านหมดเลยโกรธเลย ไม่พอใจลุกขึ้นกลับไปฝ่ายพราหมณ์พาลัทธวาชากโกรธโกรธภรรยา ม, มากแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเข้าใจใช่ไหมเพราะภรรยาดีไหมดีมากปฏิบัติเหตุผลที่เป็นภรรยาที่ดปีปฏิบัติตามจารีสีนวารีสี น, สนก็เพราะว่าพระพุทธเจ้านั่นแหละเพราะว่าธรรมของพระพุทธเจ้าสอนบอกให้ปฏิบัติอย่างไรเธอก็ปฏิบัติหน้าที่ขึ้นความเป็นภรรยาที่ดีไม่บกพร่องเลย ทามเนี่ยโกรธภรรยาก็เลยคิดว่าเอาละภรรยานับถือใครแล้วจะไปประทะคารลมกับท่านบนนั้นเอาชนะพระเจ้าสิ้นเรื่องสิ้นลาวเลยภรรยาจะได้ยอมรับว่าตนเองเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วไปเลยทีเนี้ยเข้าไปเฝ้าพระเจ้าถามปัญหาไปถามปัญหา พอไปถามปัญหาแล้วเมื่อได้ฟังคําตอบแล้วเนี่ยเนีเข้าไปไปถามบอกว่าบอกว่าชนะอะไรได้จึงไม่จึงจะไม่เศร้าโศกใช่ไหมเอาชนะอะไรได้วงั้นเถอะถึงจะหายโกรธเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าตอบปัญหาเสร็จท่านได้บรรลุเลยพอได้บรรลุทำ ก็เลยทูลขออุปสมบทในพุทธศาสนาต่อมาไม่นานนะก็ได้สำลุด เ, เป็นรูปเป็นพระอรหารในสมัยนั้นเนี่ยสคาราวะมานพซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเวททั้งสมเนี่ยได้ฟังว่านางพระมณีเนี่ยธนัญชานีพรามเนี่ยกล่าวถ้อยคําอย่างนั้นก็กล่าวว่านางพระมณีทนัญชาญีเนี่ยเป็นผู้ต่ําต้อยร่มจมทั้งทั้งที่พราหมณ์ผู้รู้ไตรเพศเนี่ยก็ยังกล่าวคุณของสมณะเพราะงั้นเถอะ ก็หมายความบอกว่าของสัมมาศาสีสาโลนนางก็ตอบว่าถ้าท่านรู้ถึงศีลรู้ถึงสมาธิรู้ถึงปัญญาของพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่สำคัญเห็นว่าพระพุทธเจ้านั่นเป็นผู้ควรดา่าควบริภพาทก็คือสักคาเรานะว่าพาราหมณ์ออกไปตาหนินางธนัญชาญีพราหมณ์ว่าทำไมไปสรรเสริญคนที่ตําต้อยอย่างพระพุทธเจ้าเป็นต้นนางก็โตอตอบบอกว่าถ้า ท่านสก า, า, าราวาพราม์เนี่ยรู้จกักศีลของพระเจ้ารู้จักสมาธิที่พระเจ้ามีรู้จักปัญญาที่พระเจ้าเข้าถึงท่านจะไม่พูดคํานี้อย่างเด็ดขาดสก า, า, าราวาพรามณ์เนี่ยได้ยินอย่างนั้นก็เข้าไปหาพระเจ้าว่ากันเถอะเมื่อเข้าสก า, า, าราวาพรามณ์มัคิดว่าเราจะเอาชนะพระเจ้าด้วยการป่าคาลมก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าข้าพ เ้าพระบรมศา ส, สดาก็ทูลถามว่าพระโคโดมเป็นพวกไหนของสมณพราหมณ์ที่ประเดญญาณถึงเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ว่าตนรู้แจ้งในปัจจุบันอยู่จบพรหมจมรรย์บรรลุถึงความเป็นผู้ถึงฝั่งอย่างสมบูรณ์พระพเจ้าก็ตอบว่าพระองค์ตรัสว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นมีต่างๆกันคือพวกหนึ่งก็ฟังกันสืบต่อสืบสืบกันมาก็มีเช่นพวกพราหมณ์ที่รู้วิชา สก็รู้ไตรเพศที่ปติญญาถึงเบื้องต้นแห่งพรหมจา ร, รย์ด้วยเหตุสักกานว่าความเชื่อก็มีเช่นพวกนักเดาก็มีนักพิจารณาก็มีที่รู้แจ้งธรรมด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนก็มีพระองค์อยู่ในพวกหลังนี้พระเจ้าบอกเราเนี่ยอยู่ในพวกหลังเราเนี่ยได้ตัสรู้อริยสัจสี่เนี่ยได้ด้วยตนเองนะเราไม่มีอาจารย์เราสั่งสมบารมีมาเราจะได้ตัสรู้ขั้นตรัสอย่างนี้บนันําริ ตั้งแต่ยังไม่ได้เสด็จออกพนวดก็เห็นโทษของการครองเรือนพระเจ้าก็พูดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีปฏิปทามีข้อปฏิบัติอย่างไรตั้งแต่อยู่ในคารวะอยู่ครองเรือนแล้วต่อมาทิ้งออกบวชเมื่อออกบวชแล้วพระองค์บาเพ็ญทุกการกิริยาเมื่อเลิกทุกกิริยาแล้วเนี่ยก็มาเจริญอนานาปนาสติพอมาเจริญอนานาปนาสติจนบรรลุ บำเพ็ญฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นได้วิชาสามในเบื้องต้นได้ปกเพนิวาสานุสติญาณในปฐมยามแล้วได้จุดูปปาทยาในมชิมยามและทาอาสวะคยายานในปัจฉิมยามตอนสุดท้ายมานพได้ทูล ถ, ถามถึงเรื่องเทวดาอีกเล็กน้อยเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสแล้วก็ทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแสดงตนเป็นอุบาสกแล้วถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิต เออตรงนี้ที่หยิบยกให้เราทั้งหลายได้เกิดความรู้ได้เกิดความเข้าใจตรงนี้อยากจะให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้เชื่อมัน่นและมีความรักในพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงถ้าเรามีความเชื่อมัน่นและมีความรักในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยจะได้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนแต่การที่จะ ทำนำพากระแสชีวิตของเราท่านทั้งหลายเนี่ยให้เข้าถึงฝั่งกล่าวคือพระนิพพานกิจการพ้นจากวัฏจทุกข์ได้อย่างแท้จริงทีนี้พระพุทธเจ้าแสดงบอกว่าอาณาปานาสติเนี่ยเป็นประเภทกรรมฐานเนี่ยเป็นยอดของกรรมฐานทั้งปวง ที่สารเส ร, ริญที่ท่าน ส, สรรเส ร, ริญอย่างนี้มาจากคำว่าอีทางกรรมฐานนะประเพณีนะมุทภูตังเป็นต้นบอกว่าในประเภทต่างๆของกรรมฐานถามว่ากรรมฐานทั้งหมดอะไรเป็นยอดกรรมฐานอะไรเป็นยอดของกรรมฐานทั้งหมดก็บอกอาณาปานาสติเป็นยอดของกรรมฐานและ เป็นเหตุให้บรรลุถึงซึ่งคุณนวิเศษกลา็คือการบรรลุธรรมและการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเห็นไหมเออถ้ามองอย่างนี้มองจากชั้นของคำสอนอย่างนี้เนี่ยเช่นในคำพีวิสุทธิมักเช่นในทีขนณการอัจถริ ย, ยอมไปดูได้สบับฉบับของโมยโยร์เนี่ยบอกอ๋อการกําหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเนี่ย<ม>เป็นยอดของกรรมฐานยอมชื่นใจไหมได้มาเจริญอานาปนสติได้เจริญกรรมฐานที่เป็นยอดเนี่ยของกรรมฐานทั้งปวงและเป็นเหตุใกล้ด้วยเป็นเหตุให้บรรลุคุณวิเศษด้วยถามว่าตอนนี้เราได้บรรลุคุณวิเศษหรืยอยัง ตอนนี้ขณิกสมาธิได้หรือยังอุปจาระได้หรือยังยังใช่ไหมอปนาสมาธิยังไม่ต้องพูดถึงเหล่านี้คือคุณวิเศษวิปัสนาญาณได้ยังก็มีคนบอกว่าอยอมว่าอนาปนาสติเนี่ยเจริญยากหรือง่าย ยากหรือง่ายหลายคนบอกว่าอุ้ยยากเพราะอนนาปนสติเนี่ยไม่ต้องดูจุดเดียวไม่เหมือนกรรมฐานอื่นกรรมฐานอื่นดูไปได้ทั่วๆเลยใช่ไหมเราคิดอย่างนี้ใช่ไหมกรรมฐานอื่นที่นั้นจักเป็นยอดกรรมฐานไม่มี พอยอดกรรมฐานคืออาณาปานสติทีนี้ให้สังเกต ด, ดูนะว่ายอมสังเกต ด, ดู น, น้ำเนี่ยน้ำเวลาพุ่งจากภูเขาเอาถ้าน้ำมันไหลลงมาจากภูเขาไหลแรงหรือไม่แรงแรงไหมน้ำถ้ามันพุ่งลงจากภูเขาเนี่ยจากยอดลงมาเนี่ยแรงไห ม, แ ร, ไหมแรงไม่แรงแต่ถ้าหากมีบุรุษคนหนึ่งมาเปิดปากเหมืองให้มันกระจายพล่าออกไปอย่างเนี้ย น้ำที่เคยไหลแรงจะกลายเป็นน้ำไหลแรงหรือไม่แรงถ้าไม่ทําเป็นลําทองลําเดียวมันพุ่งไปตรงน้าจะแรงไหมถ้าเปิดปากเหมืองให้ใ ห, ให้น้ำไหลผ่าออกหลหลายข้างน้ําจากแรงจะแรงหรือไม่แรงไม่แรงกรรมฐานอาณาปนาสติเนี่ยจะทําให้พลังของสมาธิแรงเพราะดูจุดเดียวแต่กรรมฐานอื่นที่ไปดูเยอะๆ เ, เป็นไงสมาธิแตก แต่กระจายไปหมดเลยสมาธิจะแต่กระจายหมดนะไปดูผมดูขนดูเล็บดูฟันเนี่ยจะแต่กระจายไปหมดเลยจิตไม่มีพลังสมาธิไม่มีพลังเพราะอะไรเพราะไปดูไปทั่วแต่มันถูกใจเราทำไมจึงถูกใจเพราะมันไม่อึดอัดเพราะเราไม่เคยทำไงแต่เอาไปใช้งานจริงๆไม่ได้ เริ่มต้นถ้าไปทําอย่างเงี้ยมันดูเหมือนได้เช่นไปคิดเรื่องมุมนั้นบ้างจุดนั่งบ้างดูกายบ้างดูใจบ้างดูความรู้สึกบ้างดูเวทนาบ้างดูสัญญาบ้างดูสังขารบ้างดูวิญญาณบ้างดูความรู้สึกบ้างเนี่ยรู้สึกมันรู้สึกมันก็แค่นี้ก็คือว่าให้มันฟุ้งได้อยู่ในอารมณ์จํากัดอยเงี้ยอยู่แค่นี้แต่จิตไม่มีพลัง ต่อให้ยอมทาเป็นปีสองปีนันดูเหมือนดีดูได้แค่เหมือนยอมของเหมือนกับของจริงต่างกันไหมโอ้โหแหวนเนี่ยกรอบแว่นเนี่ยเหมือนของจริงจังยอมว่าของจริงไหมถ้าบอกว่าเหมือนเนี่ยใช่ไหมเหมือนจะดีะดีดหรือเปล่าเหมือนจะถูกเหมือนจะสวยเหมือนจะสวยนี่สวยหรือไม่สวย เหมือนจะสอบได้ของเหมือนของเหมือนก็ของเรียนแบบทั้งบอกว่าโยมต้องฝึกให้เลยนะหนึ่งทำไมจึงยากทำไมจึงยากจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ยาก แต่ลมไป si ยอมไปตั้งความรู้สึกว่ายากยอมไปตั้งความรู้สึกว่ายากเหตุผลทำไมบางคนเนี่ยชอบไปดูจิตก่อนดูจิตไม่ใช่ผิดนะแต่บางคนไปชอบไปดูจิตก่อนยอมว่าระหว่างลมกับจิตอะไรละเอียดกว่ากัน ระหว่างลมกับจิตอะไรอะไรละเอียดกว่ากันเอาตอบตอบตอบเดี๋ยวนี้นะตอบไม่ตอบนะตอมให้ตอ บ, ตอบจิตกับลมอะไรละเอียดกว่ากันลมยังยังสัมผัสได้ไหมจิตสัมผัสได้ไหมอา้าวยอมคิดกลับบ้านทีความคิดมันวิ่งชนประตูได้ไหมไม่ได้เนะ้อลมเนี่ย ล, ลมเนี่ยละเอียดน้อยกว่าจิต หลายล้านเท่าต้องใช้คำว่าหลายล้านเท่าแล้วอีกอย่างยมเคยได้ยินคำพูดว่าอาณาปณะสติเนี่ยไม่ค่อยถูกจริตเราเคยได้ยินคำนี้ไหมไม่ค่อยถูกจริตเราเพราะเราไม่ค่อยชอบเดีย๋ยวอาจารย์จะบอกเนีย่ยาามาจะบอกให้อ้าวจริตมีเท่าไหร่ จริตมีเท่าไหร่จริตมีหกหนึ่งราคาจริตมีความติดใจฝ่ายกสันเป็นอัธยาศัย 2. โทศาสจริตมีความหงุดหงิดมีความโกรธเป็นอัธยาศัยเป็นพื้นเพสมโมหาจริตมีความหลงมีความไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวเนี่ยเป็นอัธยาศัย 4. วิตกจริตมีอัธยาศัยชอบคิดวิตกกังวลห ศรัทธาจริตมีความเชื่อเป็นอัธยาศัยหกพุทธิจริตมีความใฝ่รู้ใฝ่ต้องการเหตุและผลเป็นอัธยาศัยถามหน่อยยอมที่บอกว่ายอมว่าไม่ถูกจริตเรวเนี่ยยอมไม่ถูกจริตตัวไหนเอายอมว่ายอมจริตอะไรยอมช่วยยกมือนิดนึงนะว่า ยอมที่นั่งอยู่เนี่ยยอมรู้ไหมตนเองเจริตอะไรอ้าวใครราค่าจริตมีราคามีความอยากได้นู่นอยากได้นี่เป็นอัตยาสายยกมือทีอ่กลุ่มราค่าจริตอ่าได้แล้วเนี่ยอ้าวใครโทษาจริตหงดห ง, งิดนอนหงุดหงิดนี้เป็นอัตยาสายบ่อยอ้าวเอาใครโมห oh เจริญไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยอะไรต่างๆเป็นอัตยาสายไม่ค่อยเหตุเฉยเฉยมึนๆไปเนี่ย เอาใครวิตกจริตเจ้าวิตกกังวลคิดเรื่องนู่นเรื่องนี้เป็นอธัธยาศัยเอาใครศรัทธาจริตมีความชอบเชื่ออะไรเป็นอธัธยาศัยเชื่อแล้วไม่ค่อยปล่อยเนี่ยเอาใครพุทธเจริตชอบเหตุและชอบผลทุกอย่างต้องมีเหตุผลเท่านั้นถึงจะฟังเป็นอธัธยาศัยอ้าวแล้วทีนี้ยอมรู้ไหมว่า ถ้ากลุ่มราคะจริตเนี่ยท่านสอนให้เจริญกรรมฐานอะไรนี่เริ่มไปไม่เป็นแล้วนะเนี่ยเอาละสิเนี่ยเห็นไหมถ้ากลุ่มราคะจริตเนี่ยเจริญกรรมฐานอะไรฐานจริงๆคืออสุภะกรรมฐานนะแล้วทำไมกรรมฐานที่ยอมเดินอยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ล่ะทำไมยอมไม่ทำตามนั้นล่ะ เ ด, เ, ดยยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกนะว่าอาณาปาณะมันเกื้อกูลต่อทุกกรรมฐานยังไงเดี๋ยวจะบอกทีหลังเอา้ากลุ่มโทจะสาจริตรู้ไหมว่าเขาให้จเจริญกรรมฐานอะไรเป็นฐานเมตตาเมตตาแล้วทําไมยมไม่จเจริญเมตตากนันละ่ะเวลามาเข้าคอร์สปฏิบัติ ท, ทําไมยมไม่จเจริญเมตตาทําไมไม่บอกอาจารย์เขาบอกที่ดิฉันเนี่ยทศสาจริตนะเพรงนั้นเธอใช่ไหมละ่ะ อย่าไปเอาตัวเองชอบเพราะว่าถ้าเอาตัวชอบนี่ราคาจริตมันชอบสวยงามนี่ก็จะเอาของสวยสวยงามใช่ไหมมันเป็นการเพิ่มราคาหรือว่าลดราคาก็ยิ่งเพิ่มสิราคาความกําหนังความยินดีก็ยิ่งเพิ่มสิเอาสิทำไมเราต้องไปตามใจกิเลสด้วยใช่ไหมไอ้กิเลสไม่ชอบเนี่ยหักกิเลสดไีไม่ดีก็ดีสิเอา้าโมหจริตโมหจริตเนี่ยต้องเจริญอะไรเนี่ย ต้องจเจริญกลุ่มอานาปณะเป็นต้นเนะ่ะต้องจเจริญพวกพุทธคุณเป็นต้นเนะี่ยเอาสิเอาสิทำไมไม่จเจริญล่ะเอ้าวิตกจริตเอาก็ต้องเนี่ยเจริญพวกกลุ่มอานาปณะเป็นต้นเนะ่ะเอา้าทำไมไม่จเจริญไม่ถูกจริญเราเอาก็นี่ไงก็เราจเจริตอย่างนี้ไงเอา้าพุทธเจริตเออศรัธทธาจริญต้องจเจริญอะไรจะเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติ สังคานุสตินี่ลึกถึงคุณกับุริยเจ้าวัรมประสงค์เอาพุทธิจริตพุทธิจริตก็ต้องเจริญกรรมาฐานที่เกี่ยวกับพุทธคุณก็ดีเกี่ยวกันในเรื่องของกาหนดดินน้ำไฟลมเป็นต้นต้องแยกแยะของละเอียดละเอียดเน่เอา้าวเข้าใจยังว่าฉะนั้นโยมอย่าไปพูดว่าแตถ่ถ้าแยกนะ ถ้าแยกจริงๆเนี่ยที่โยมพยายามยกก็เป็นราคาให้สังเกตนะโยมไม่ได้มีจริตเดียวหรอกที่ยโยมยกกันเมื่อสักครู่เนี่ยอามาพูดได้เลยว่ากลุ่มโยมเนี่ยเป็นกลุ่มมิศกะจริตเป็นกลุ่มรวมกลุ่มรวมจริตภาษาเหนือเขาเรียกกลุ่มแกงโคอ่ะแกงรวม ไปดูไอ้ราคะก็มีไอ้โทสะก็มีเอ้โมหะก็มีไอ้พุธทธิก็มีนะศรัทธาก็มีนะวิตตกก็มีเลยไปๆมาไม่รู้ตนเองเลยว่าจริตอะไรก็ไม่รู้นี่เขาเรียกกลุ่มรวมกลุ่มรวมจริตกำลมิสกะใช่ไม่ใช่แต่อะไรเด่นอ้าวแต่นี้พุทธพจน์ในอาณาปณาะาสังยุต ใ น, ในอาณาปานาสติสูตรพระเจ้าบอกว่าอาณาปานาสติที่ภิกษุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมน้อมเมื่อจิตตั้งมั่นได้องค์8ประการตั้งมั่นที่เป็นหนึ่งเป็นสมาธิสองบริสุทธิ์สามไม่หวั่นไหวไม่วอกแวกเป็นกรรมมริยาควรต่อการงาน และเป็นสภาพจิตที่มีความอ่อนความควรทั้งหลายเป็นต้นเมื่อครบมีมีพลังขนาดนี้แล้วเนี่ยเมื่อจิตเมื่อเดินอาณาปนานสติจนได้พลังของสมาธิในระดับนี้แล้วจะน้อมจิตไปน้อมจิตไปในของที่ปฏิกูลให้เห็นว่าไม่ปฏิกูลก็ได้เห็นไหมและจะน้อมไปในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลเอง โดยปฏิกูลโดยไม่ปฏิกูลโดยความเป็นของปฏิกูลเป็นต้นก็ได้เอาเดี๋ยวขยายให้ตัวนี้หมายความว่าเมื่อเจริญอาณาปนานสติเป็นเบื้องต้นแล้วเนี่ยเช่นจะน้อมจิตไปเพื่อเมตตาก็ได้ไม่เป็นน้อมจิตไปเพื่อให้เมตตาเกิดโดยเร็วก็ได้น้อมจิตไปหากรุณาให้เกิดโดยเร็วก็ได้น้อมจิตให้เกิดมุทิตาความพอยินดีก็ได้ น้อมจิตเข้าหาอุเบกขาก็ได้จะน้อมจิตเข้าหาให้มีศรัทธาก็ได้ให้มีความเพียรก็ได้ให้มีสติและลึกมั่นก็ได้ให้มีสมาธิให้มีปัญญาเป็นต้นก็ได้และจะน้อมเข้าหาคือสามารถดัดจิตน้อมจิตไปได้ทุกเรื่องเลยอันนี้แปลว่าจิตเนี่ยถูกฝึกได้อย่างดีแล้วและจะน้อมเข้าหาวิปัสสนาญาณก็คล่อง จะน้อมก็หาอาดีตอนาคตทั้งหลายเลยนี้จะมีความชำนาญเคร่าคล่องว่องไวหมดเลยดีไหมเออจะน้อมไปเพื่อทำลายราคะจริตก็ได้น้อมไปเพื่อทำลายโทสะจริตก็ได้น้อมไปเพื่อทำลายโมหจริตก็ได้น้อมไปเพื่อทำลายวิตกจริตก็ได้น้อมไปเพื่อเพิ่มพุทธทจริตให้ดีขึ้นทำศรัทธจริตให้ตรงทางเลยถ้างั้นนะศรัทธจริตบางทีไปเชื่อสิ่งที่ผิดงมงายเลยนะ แต่พอฝึกอาณาปานสติแล้วเนี่ยจะเป็นความเชื่อที่ไม่งมงายอ่ะเอาดีไมด่ดีเอาคุ้มค่าไหมถ้าเรามารู้ว่าพระพุทธเจ้าบอกแบบนี้คุ้มหรือไม่คุม้มคุ้มที่จะกล้าจะยอมลงทุนไหมลงทุนนำกายและใจของเราเนี่ยไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยคุ้มไหมยอมกว่าจะเรียนจบมายอมใช้เวลากี่ปี อนุบาลกี่ปีปถมกี่ปีมัธยมกี่ปีอุดมศึกษากี่ปีทั้งหมดกี่ปีและตอนนี้มาเจรณานาปณะกี่ปีเ <c oughs> ข้าใจยางบางคนเนี่งทำดีทำท่าแล้วไปเล่นเป็ยาน่อย่าไปตัดสินใจเองนะว่ามันไม่ถูกเจริจแเรา การปฏิบัติจริงๆเนี่ยเจลิตเดิมของมนุษย์เนี่ยมันไม่ชอบหรอกยอมเชื่อไหมล่ะอกิเลตกิเลสเดิมของมนุษย์เนี่ยชอบอยู่ในวัตฏะหรือชอบออกจากวัตฏะมันชอบอยู่ในวัตฏะมันไม่ได้ชอบออกมันชอบไหมการปฏิบัติทุกอย่างไม่ได้ชอบหรอกฉะนั้นถ้าเราจะมาปฏิบัติทั้งทีก็ทาให้มันถูกดีกว่าดีไม ดีไมด่ดีก็ทำให้ถูกดีกว่านั้นตรงนี้อันนี้บอกแล้วเนะียหลายหลายคนว่าโอ้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในโควีประมสูตรถามพวกเราหน่อยว่า เวลาเราจะปฏิบัติเนี่ยเราควรกําหนดรูปกรรมฐานก่อนหรือนามกรรมฐานก่อนอระหว่างรูปกรรมฐานกับนามกรรมฐานเนี่ยไหนควรปฏิบัติก่อนลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเป็นรูปกรรมฐานหรือเป็นนามกรรมฐานเป็นตะกูลรูปกรรมฐานนะถ้าดูจิตเนี่ยเป็นรูปกรรมฐานหรือเป็นนามกรรมฐานนามกรรมฐาน อา้าวดูให้ชัดนะพระธเจ้าอุปมามีแม่วัวไม่ฉลาดตัวหนึ่งแม่วัวไม่ฉลาดตัวหนึ่งมันขึ้นไปบนภูเขาโยมตะเกียร์ตะกายขึ้นขึ้นขึ้นขึ้ น, ข, นขึ้นไปพอขึ้นไปอยู่บนภูเขาแล้วมันหิวมันหิวญ้ามันหิวน้ํามันก็มองลงมาข้างล่างมันเห็นอะไร มันเห็นน้ำอยู่ข้างล่างอ่ะมันหิวได้หิวเนี่ยมันตะกะตะการไงพอตะกะตะการเบสเสร็จแล้วมันกลับไม่กาหนดเท้ากำหนดตำแหน่งกาหนดที่เดินได้ดีมันรีบจัดเป็นไงรู้ไหมพวดตกมาเลยพวดตกลงมาเลยพอตกลงมาตกลงไปในเหวน้ำได้กินไหมหญ้าได้กินไหม ตายอยู่ในหิวเอา้าตรงนี้พระกถาจารย์ผู้ปฏิบัติยังไม่ชำนาญในรูปกรรมฐานคืออาณาปานสติเป็นต้นแล้วรีบจะไปกำหนดนามก็จะเป็นเหมือนเมื่อวัวตัวนี้แหละจะเป็นเหมือนเมื่อวัวตัวนี้ตกหยว แล้วได้กินน้ำไหมได้กินหญ้าไหมอีกในายญาหนึ่งในวิสุทธิมรรคบอกไว้บางคนเนี่ยทำปฐมฌานพยายามจะเจริญเจริญทำปฐมฌานยังไม่ได้เก่งยังไม่ได้คล่องแคล่วเลยเลยรีบจะทำฌานที่สอง ไอ้ปฐมฌานที่ได้แล้วก็เสื่อมทุติยฌานก็ไม่ได้สรุปแล้วก็มานั่งผิดหวังในภาษาสนานี้ก็คแค่นั้นเองเข้าใจไหมว่าท่า น, นการปฏิบัติเนี่ยต้องเป็นไปตามระบบไหมเป็นหรือไม่เป็นต้องไปไปตามแบบแผนไหมต้องเป็นไปตามระบบและเป็นแบบแผนที่ทรงบอกไว้ย่อมชื่นใจไหมถ้ารู้ความจริงอย่างนี้แล้วชื่นใจไหม ชื่นใจไหมถ้ามีใครสักคนมาบอกทางที่ถูกแล้วจากการที่เราเดินไปทั่วเนี่ยแล้วมีวันนี้มีคนมาบอกว่าอ๋อทานการไปไม่ยากหรอกเพียงแต่คุณตั้งสติให้ดีแล้วก็ค่อยเดินไปตามทางแล้วก็ศึกษาเส้นทางตามนี้แหละนะซ้ายขวาเป็นยังไงถ้ามีคนมาบอกรายละเอียดละอองนี้เราจะชื่นใจไหมชื่นใจใช่ไหมลเพราะอย่างนี้เขาเรียกว่ามันเห็นแสงเทียนที่ปลายกุมงแล้ว ที่สุดจริงๆมันก็ถึงฝั่งได้แต่ปัญหาว่าเราต้องไม่สเปะสปะนะใช่ไหมถ้าสเปะ ส, สปะเราก็จะคลำอยู่ล่างไปนี่ตอบปัญหาเรื่องอะไรนะว่าระหว่างรูปกับนามควรกำหนดอะไรก่อนนั้นถ้าเกิดเราไม่สบายใจล่ะเช่นถ้าเราไปกำหนด ดูลอมเนี่ยมันรู้สึกไม่สบายใจเลยเราไม่เคยทำใครเป็นไหมยกมือทีรู้สึกทำแล้วมันอึดอัดมันไม่เคยทำอะ่ะมันอึดอัดมันคับข้องอ่ะเป็นเป็นไหมมันอึดอัดใช่ไหมเอาเล่าอปฟังที่อึดอัดแบบไห น, นเป็นไงฮะปวดขา เอ้าเราไม่ได้ไปดูขาไปปวดเลยที่ขานั่นปวดขาทําไมถึงปวดขาโลไหก็มันมีขามนก็ปวดขาใช่ไหมล่ะเออประเด็นก็อย่างนี้น เ, อเอ อ, เ อ, อ, าเอาการการเจริญอาณาปนานสติบางทีมันอาจจะทุกข์นะะเบื้องต้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพลังกําลังของสมาธิยังไม่ดีพอเนะ มีโยมคนหนึ่งอามาก็บอกว่าให้ให้รีบเจริญอนาปานสติสมาธิเสียนะกว่าเราจะรู้ว่าเราได้ประพบกรรมฐานที่เป็นยอดกรรมฐานนันไม่ใช่ยอดกรรมฐานอย่างเดียวนะถ้ามายกตัวอย่างในปฏิสัมพิธามักในพุทธพจน์บอกว่าสัพพะสมาธิภาวนาสุจาก สัพพะสัพพัญยุโพธิสัตตานังโพธิมูเลเอิมินาวะสมาธินาสมาหิตาจิตตานังยถาภูตาวะโพธโตอายะเมวะสมาธิภาวนาปะทานาสับคำว่าปะทานาเนี่ยก็แปลว่าประทานโยประทานถ้าแปลก็คือว่าในบรรดากรรมฐานทั้งหมดกรรมฐานทั้งหมด สมาธิภาวนานี่แหละคืออาณาปานิณสติสมาธินี่แหละเป็นประธานคือเป็นประธานของกรรมฐานทั้งปวงยอมว่ามังกรเออ้าไรราชสีเนี่ยราชสีเนี่ย หัวสิงก็ดีราชสีก็ดีเนี่ยหัวกับหางเนี่ยไหนสำคัญกว่ากันเอาอะไรเด่นที่สุดในตัวราชสีอะหัวเนอะส่วนหัวใช่ไหมถ้ามีใครสักคนหนึ่งเอาหางราชสีมาโชว์ยอมว่าเด่นไหมหรือเอาลำเราเอาส่วนอื่นเอาขาเด่นไหมเออไปดูที่อินเดียเนี่ย ก็จะมีรูปราชสีรูปสิงห์สี่ตัวยืนอยู่บนหัวเสาเสาอาโศกอะ่ะจะมีรูปสิงห์สี่ตัวคำรามไปในที่ทั้งสี่เขาจะมีตั้งแต่ช่วงอกไปช่งหูช่วงหัวเนี่ยสี่ตัวนั่นคือความนั่นคือพระธรรมของพระพุทธเจ้าฉะนั้นอาณาปานสติเนี่ยเหมือนหัวราชสีนะกรมมฐานอื่นๆเหมือนอวัยวะส่วนอื่นแท้ที่จริงเนี่ยเราควรจะ เราควรจะโชว์อะไรก่อนโชว์หัวอาถ้าโยมลองกลับดูนะลองเอาหูเอาหางไว้ข้างบนเอาหัวไปข้างล่างว่าราจะสีน่จะงามไหมงามไม่งามยอมว่างามไหมฉะนั้นเราควรดีไหมว่าเราควรจะต้องมารณรงค์กันใหม่ดีไหมมารณรงค์กันใหม่ว่าออ้ย นี่กรรมฐานที่เป็นยอดกรรมฐานกรรมฐานที่เป็นประธานกรรมฐานควรเอามาตั้งเป็นแม่บทมาเป็นหลักใหญ่เอามาเป็นประธานก่อนดีหรือไม่ดีใช่ไหมทำให้มันเข้าร่องเข้ารอยเสียเราจะได้ไม่เป็นคนกลับคำสอนของพระเจ้าดีไม่ดีจะมาดีไหมนี่นาเสนอในที่ประชมุมเออเอามานาเสนออย่างนี้แหละอย่าไปกลับ แล้วก็ช่วยกันทำให้เกิดให้มีขึ้นจากสิ่งที่ไม่ค่อยมีคนมากล่าวนี่แหละดีไหมอดียกเบอขึ้น <c oughs> เอออย่าช่วยกันหน่อยเพราะกรรมฐานเนี่ยถูกปล่อยไว้นานแล้วถูกปล่อยไว้นานแล้วและถ้าเราทำอย่างนี้ถูก พระศาสนาของพระชินเจ้าจะสว่างรุ่งเรืองประดุจดวงประทีปนะประดุจประดุจดวงดวงอาทิตย์นี่ที่จะได้ส่องแสงสว่างและเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกและก็สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายที่อยู่ในโลกใบนี้อย่าไปเอาจุดอื่นมาโชว์เอาจุดที่เป็นประธานหลักก่อนนะจะได้ให้ สว่างในกลางใจของพุทธบริษัทดีไมด่ดีเออเนี่ยตงเ น, นี้ยช่วยกันหน่อยเอามาพูดมานานแล้วรู้สึกว่าเสียงอามาไม่ดังหรือไงก็ไม่รู้นะเสียงอามาเนี่ยไม่ดังแต่คำสอนพระเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่อยู่แล้วอามาไปที่ไหนอามาก็พยายามอา้าช่วยกันหน่อยอยากจะฟื้นฟูคำสอนของพระเจ้ากลับมา แล้วก็มาประทับอยู่ในใจของพุทธบริษัทแล้วต่อไปพุทธบริษัทคำสอนพระเจ้าจะได้คำลามประดุดดังสิงห์สี่ต no right ัวหันหน้าไปทั้งทิศทั้งสี่คือเหนือใต้ออกตกนี่แหละแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์เป็นอันมากฉะนั้นเมื่อกี้บอกว่าปวดขาเนี่ยแค่ปวดขาทนหน่อยได้ไหมเบื้องต้นเนี่ยดีไมทนทำ เพราะถ้าเราได้ทําให้เป็นเนื้อเป็นตัวแล้วในที่สุดเราจะเดินไปหากรรมฐานอื่นได้ทั้งหมดแม้แต่กรรมฐานที่เราเคยบริหารไว้ก็ไม่เป็นไรต่อไปเมื่อได้กรรมฐานที่เป็นประธานแล้วเวลาเราจะหมุนไปเนี่ยง่ายนิดเดียวแต่เนี้ยใช่ไหมเพราะได้กรรมฐานที่เป็นประธานแล้วในที่ประชุมเนี่ยประธานสําคัญไหม ในประเทศเนี่ยหัวหน้าสี่สูงสุดของประเทศสําคัญหรือไม่สําคัญสําคัญเป็นองค์คาพยพเออถ้าหัวหน้ามันถูกต้องซะแล้วเนี่ยมันจะนําพาองคาพยพไปถูกไหมเอา้าถ้ามีใครสักคนหนึ่งเอาราชสีมากลับหัวกลับหางแล้วมันเดินถอยหลังเนี่ยมันจะเป็นยังไงยอมว่าจะเป็นยังไงแล้วมันจะไปได้ไหม แค่นั้นต้องหมุนใหม่เอาตัวอาพขาไปเอากรรมฐานคืออนาปานสติกรรมฐานเนี่ยตั้งไว้เป็นหลักนะตั้งเป็นหลักอยู่ข้างหน้าแล้วก็นำกรรมฐานทั้งหมดไปนำกรรมฐานทั้งหมดไปแล้วจะได้เป็นประโยชน์แก่กระแสชีวิตของเราและกัสัตว์ทั้งหลายด้วยเออที่อามาพูดอย่างนี้เนี่ยต้องการจะฟื้น จิตสำนึกของพุทธบริษัทให้พุทธบริษัทเนี่ยเอามาต้องการปลูกจิตสํานึกว่าท่านทั้งหลายท่านเคารพพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่ถ้าเคารพจริงๆก็นึกถึงกรรมฐานพ่อซึ่งเป็นประธานของกรรมฐานทั้งปวงแล้วก็น้อมปฏิบัติตามเดินตามพระผู้มีภาคเจ้าด้วยความเคารพด้วยความเอเื้อเฟื้อเถิด ถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นลูกที่มีความกตันยูรู้คุณของพ่อแล้วกระตาเวทีคือตอบแทนคุณของพ่อคนที่จะได้ประโยชน์ไม่ใช่พ่อแต่คือลูกคือพุทธบริษัทนี่แหละที่จะได้ประโยชน์พอพระพุทธเจ้าในอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่ชนหมู่มากเพื่อความสุขแก่ชนหมู่มากแล้วก็เพื่ออนุเคราะห์โลก มนุษย์และเทวดาเป็นอันมากจะได้ประโยชน์เมื่อเราได้เข้ารูปเข้ารองเข้าร่องเข้าลอยในคําสอนพระเจ้าแล้วเนี่ยเทวดาก็ชมพรหมก็สรรเสริญแล้วเนี่ยสิ่งดีๆีงามๆจะได้เกิดขึ้นในกระแสะชีวิตเราดีไหมอย่าแปลกว่าทําไมชีวิตของเรามันจะเจอสิ่งที่เรื่องกับหัวกับหางอยู่เรื่อเยเเนี่ยชะลอยว่าเราคงจะไม่ปฏิบัติเป็นไปตามลําดับนี่แหละใช่ไหม นี่ก็มาจัดระบบระบบหรือรลําดับให้มันถูกต้องเสียยอมว่าบ้านเรือนเนี่ยถ้าจัดทิศทางจัดอะไรต่างมันเรียบร้อยแล้วจะดูดีไหมมันก็ดูดีนี่ก็เหมือนกันพุทธบริษัทต้องรู้จักว่ากรรมฐานไหนเป็นหัวกรรมฐานไหนเป็นส่วนคอกรรมฐานไหนเป็นส่วนอกกรรมฐานไหนเป็นส่วนท้ายและเป็นกรรมฐานไหนเป็นส่วนหาง ถ้ารู้อย่างนี้แล้วจะได้ทําจากประธานลงมาแล้วชีวิตเราจะได้ไพยบูรณพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปยมว่าดีหรือไม่ดีดีไ้มก็ขยายความกันต่อไปเอามีใครสงสัยอะไรั้มเหลืออีกหนึ่งเหลืออีกไม่ถึงชั่วโมงแล้วเอาปัญหามาแต่ในนี้ยังมีอยู่ในเรื่องปัญหาเนี่ย ในปัญหาเมื่อคืนยังรเหลืออยู่เย่ซ่อนไว้ในนี้โอ้นี่โอ้ยนี่ก็ยังเหลือเยอะเลยเดี๋ยวเขาตอบเมื่อคืนนี้ก่อนพ่อมีคำถามมาจากพระสูตรที่เล่ามาเมื่อคืนเนี่ยเรื่องนางลูกสุกรถ้าหากหมูไก่สามารถเกิดเป็นมนุษย์ได้โดยอาศัยเสียงการฟังสาธยายสถิปตฐานสูตรเช่นนั้น สัตว์เลี้ยงในบ้านเช่นหมาแมวก็ช่วยมันได้โดยให้มันฟังเสียงสาธยายหรือฟังเทศฟังธรรมก็ได้เช่กนการใช่หรือไม <c oughs> <c oughs> ออ่ถ้าเขาได้อัธยาศัยนะอขอเล่าเรื่องหนึ่งที่จริงมีเรื่องพวกนี้เยอะมากเนี่ยมามีเวลาอยู่กับพวกเราแค่ถึงวันที่บสิบสองเอง วันที่ส3บสาก็ได้อยู่อาจจะอยู่ได้แค่ครึ่งวันด้วยเล ย, เลยนะที่จริงอยากจะอยู่ตอบปัญหาเราให้นั่นแต่ก็มีเดี๋ยวมีพระพาปฏิบัติก็มันมีเหตุที่จะต้องเดินทางก็เลยพยายามอยากจะให้พวกเรารู้ข้อมูลให้มากที่สุดเอาไว้ว่ามีโอกาสก็ ก, ก็คงได้ได้ได โอกาสสนทนาฉนั้นให้พวกเราตั้งใจโอกาสเจอกันมันยากกระแสชีวิตกว่าจะมาประชุมและเจอกันได้สนทนากันได้ให้ข้อมูลซึ่งกันและการนี่ยากมากถ้ารู้และเข้าใจแล้วการไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยไม่ยากเลยนะามาวงเล็บไปเลยว่าไม่ยากเลยและทุกคนเนี่ยเชื่อปฏิบัติได้ไม่ยากนันะไม่ยากเลยเอ่อ สัตว์ทุกชนิดเนี่ยที่มีอัธยาศัยเนี่ยสามารถฟังมีมีท่านผู้หนึ่งแกตั้งอัธยาศัยไว้ว่าแกตั้งอัธาายาศัยที่แรกเนี่ยแกเกิดเป็นคนจนนะเพรเกิดเป็นคนจนเนี่ยแกก็ทุกใจก็เลยให้ทานรักษาศีลให้ทานรักษาศีลฟังธรรม แล้วก็ไปไหว้พระเจดีย์แล้วอธิษฐานถ้าตนเองเกิดใหม่ขอให้เกิดเป็นคนรวยเถอะอย่าไปเกิดเป็นคนยากจนอย่างนี้เลยก็รักษาศีลนัยทานพระรยาบอกคนมีศีลอธิษฐานอะไรก็ประสบความสาเร็จใช่ไหมแล้วผลปรากฏว่าต่อมาเธอก็ตายคนคนนี้ก็ตายแล้วเกิดมาก็เป็นคนรวยญิงด้วยอยู่ในเมืองหลวงทีนี้พอรวยแล้วเนี่ยเธอก็ นั่นะกิจกรรมก็มีการให้ทานรักษาศีนี่แหละมีลูกสี่คนพอแก่ตัวไปตอนที่แกใกล้จะตายแกอยู่ชั้นสองลูกสี่คนอยู่ชั้นล่างตอนที่แกใกล้จะตายลูกทะเลาะ ก, กันเรื่องทรัพย์โอ้โหจิตแกนี่ทุกข์มากโมหะก็ครอบงำพอตายปุ๊บ จากที่กิเลสครอบงำนั่นแหละไปเกิดเป็นงูเหลือมได้เกิดเป็นงู เ, นเห็นไหมเนี่ยคนที่ตายได้โมหะเอาย้อนไปพระเจ้าโศกมหาราชพระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยพระจำอโศกมหาราชเนี่ย ส, สร้างวัดแปดหมื่นสี่พันวัดปักเสาอโศกไว้แป0 0 0ื่นสี่พันต้นสร้างเจดีแปดหมื่นี่พันองค์ บำรงธนุบำรุงพุทธศาสนาทั่วชมพูทวีปท่งศาสนานำพาะศาสนาของระชเชนเจ้าออกเผยแผ่9ก้าสายในสายนั้นก็คือมาที่สวุวรรณภูมิประเทศไทยเราด้วยท่าว่าบุญยิ่งใหญ่มากทำตติยสังขยาครั้งที่สแต่พอใกล้จะตายใกล้จะสวรรคตท่านถูกยึดอำนาจแล้วถูกกักบริเวณ แล้วก็มีคนรับใช้อมา์คอยรับใช้อยู่คนเดียวตอนที่ท่านใกล้จะตายเนี่ยท่านก็ถามว่าเรายังเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ไหมอมา์ที่อยู่ออก็เป็นเอา้าแล้วทำไมเราจึงให้ทานอย่างเก่าไม่ได้เล่าเราจึงไม่สามารถเบิกเงินในคลังมาใช้ได้เล่าไปไปมาก็ท่านเห็นว่าเออในมือท่านมีอะไรมีมะขามป้อมอยู่ผลนึง ท่านก็บอกดูหรือคนเช่นเราเนี่ยเป็นอโศกมหาราชยิ่งใหญ่ชั่วชมพูทวีป พ, พอใกล้จะตายเนี่ยปกครองได้เพียงแค่ผลมะขามป้อมผลเดียวเท่านี้แหละเอาอยากกันนั้นเลยว่างั้นเถอะจงเอาผลมะขามป้อมไปรายงานบอกให้พระได้รู้ถึงความเป็นอันิจลักษณะความไม่เที่ยงของชีวิตว่าเนี่ยจากที่ยิ่งใหญ่ที่สุดปกครองชมพูทวีปเนี่ยบั้นปลายชีวิตเหลือเพียงผลมะขามป้อมนี้แหละว่างั้นเถอะ อมานก็เอาผลมะขามป้อมไปให้พระพระมาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแท้เนี่ยน้อมความไม่เที่ยงแท้เนี่ยของกระแสชีวิตของกราบยอดสุขสารเสริญทั้งหลายที่มันเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันเลยเนี่ยน้อมมาสู่กระแสชีวิตของตัวเองพากันได้บรรลุเนีเพราะไอ้ผลมะขามป้อมเนี่ยต่อมาท่านท่านทุกใจตายโมหะตายแล้วไปเกิดเป็นเป็ดมูเหลือม นี่ไงเอเมนสังสารวัตรเป็นเงี้ยมนุษย์ตายเกิดเป็นงูแต่ท่านมีบุญตรงไหนลูกชายเป็นพระหัานพระมหินท่าเทรากับนางสังควิตาเทลีเนีย่ยไปช่วยได้ถามว่าถ้าวันนี้ถ้ายอมตายแล้วยอมไปเกินเป็นงูเหลือมยอมคิดว่าจะมีคนไปช่วยไหมเอาใครจะไปช่วยยม นี่เหมือนกันที่เล่าก็คือตายไปเกิดเป็นงูเหมือนกันงูชอบกินอะไรกินกระต่ายกินกินกินกินกระต่ายทุกวันกินกินกินนักข้าวนักข้งูตัวนี้มันแก่ตัวไปก็ตายเอ้ยงูนี่มันมั น, ม, นมันแปลกเหมือนอย่างพระเจ้าโศกมหาราชเหมือนกันตอนเป็นงูเนี่ยแกก็เอาตัวเอาเอาหางเอาหางไปรัดต้นไม้ต้นหนึ่งเอาหัวลัดต้นไม้ต้นหนึ่งพอไปเจอหนองเนี่ย หนองน้ำก็แพ่ทําตัวเองเป็นแผ่นน้เป็นแผ่ น, นวิตน้ําวิตหนองน้ําจะกินปลาไงวิตวิตวิตจนน้าแห้งเออลูกชายก็เกิดเป็นพาาระหลานแปลงกายไปไปเห็นก็ทําแสดงอภิน ญ, ญาและปลุกจิตสําสนึกโอ้โหนี่พ่อแต่ก่อนเนี่ยถือศีลห้าสมาทานไม่ฆ่าสัตว์อันนี้จะกินปลาเลยเนี่ย จะกินปลาต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยโอ้ยสลดเลยอะ่ะกำลังวิตน้ําเนี่ยสลดให้รักษาศีลแล้วต่อมาตายตายจากอัตภาพนั้นที่เกิดในในเทวภูมิตอนนี้ท่านก็ได้ดิบได้ดีแล้วนี่พ่อมีลูกชายถ้าอย่างยอมเนี่ยไปเป็นงูเหลือมวิตวิตงั้นเนี่ยถ้ามีคนไปท้วงอย่างงั้นเนี่ยยอมจะเชื่อฟังไหม ยอมจะกินเนี่ยจะกินยอมให้แต่จะกินคนไปทวงใช่มมีที่บ้านาสามีกับภรรยาเข้าไปก็ไปตัดตัดไม้บนป่าตัดไม้ในป่าตัดตัดต ด, ตดไอ้งูเหลือมเลยเข้ามามารัดมารัดรัดสามีร้องก็ไม่กล้าเข้าไปช่วยรีบวิ่งกลับมาวิ่งกลับมาที่หมู่บ้านกลับไปให้คนขึ้นไปช่วย พอขึ้นไปงูตัวนี้ไปไม่ได้มันกินเข้าไปอยู่ในท้องตัวใหญ่ใหญ่กินคนเนี่ยนี่เมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยพวกยังไปฆ่างูอีกพอฆ่าเสร็จก็เอามีดไปผ่าดูโอโ้โหคนตายแล้วอยู่ในท้องงูมันกืนเข้าไปถ้ายอมไปเกิดเป็นปลาวานนี่ยอมจะกินปลาวันแล้วเท่าไหร่ยอมรู้ไหม วัน ล, ละหนึ่งตันตันหนึ่งก็พันกิโลอ่ะโยมจะต้องไปฆ่าสัตว์วันละหนึ่งตันโยมคิดว่ายนิยนยนจะทรมานไหมนี่คือโทษเนี่ยไอ้งูเหลือมตัวนี้ก็กินเลยกินกินกระต่ายพอใกล้จะตายใจมันคิดถึงอะไรคิดถึงกระต่ายตายจากงูเหลือมก็เวนกระต่ายวั ด, ดีไอ้กระต่ายตัวนี้นพิการ ของเขาไปจับมาได้เขาก็ไปใส่ไปใส่กรงไว้เออมอวานไอ้บ้านเนี้บ้านนี้ก็นนชอบฟังธรรมก็ เ, เปิดฟังธรรมะเปิดเปิดธรรมให้ฟังฟังทุกวันใจมันก็ น, น้องต่อมามันใกล้ตายเออมันมีมันน้อมไปที่มนุษย์เนี่ยตายแล้วได้เกิดเป็นมนุษย์เห็นไหมมันได้เหมือนกันไอ้ทีป่ประเด็นคําถามเนี่ย ประเด็นคำถามกันไหมว่าเออเนี่ยถ้าเราจะเปิดธรรมะให้สัตว์เดรัจฉานที่บ้านฟังเนี่ยก็ได้พอจะได้อัธยาศัยแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีนะไอ้เปิดธรรมะให้สัตว์เดรัจฉานฟังเนี่ยโดยมากเปิดทีวีเปิดข่าวใช่ไหมระหว่างมันฟังธรรมะกับฟังทีวีฟังข่าวเนี่ยคิดว่าไอ้สัตว์เดรัจฉานในบ้านเราเนี่ยมันฟังอะไรมากกว่ากันอย่าว่าแต่ สาธิตฉ า, าในบ้านเลยคนในบ้านก็จะไม่ปลอดภัยอยู่แล้วจะไม่ปลอดภัยอยู่แล้วออมีอาจารย์บางท่านบอกว่าหากเรามีคุณธรรมมากกว่าพ่อแม่คือลูกรักษาศีลแปดเป็นประจำแล้วจะกราบพ่อแม่สามครั้งไม่ได้ควรไหว้ครั้งเดียวก็พออาจารย์เอ อ, เ อ, อตรงนี้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยว ลูกยัรักษาศีลห้าศีลหกศปดศีลสิบลูกก็ยังต้องกราบพ่อแม่มต้องกราบถึงแม้พ่อแม่จะไม่มีศีลลูกก็ต้องกราบเพราะการกราบเนี่ยเป็นการกราบเน้นไปที่ประพฤติปฏิบัติตามศีลเขาเรียกว่าจาริตะนะพ่อแม่จะกราบลูกไม่ได้แต่ลูกกราบพ่อแม่ได้แต่ถ้ายัางเอามาบวชเป็นพระ ามาไปกราบพ่อแม่ได้ไหมไดไม้ไม่ได้ไม่ได้นี่ก็เรียกอุ ด, ดมมระเภทพ่อแม่อยู่ในฐานะเป็นหินาเพศเพศที่ต่ำกว่าอันนี้แม่พ่อแม่ต้องกราบลูก <c oughs> เพราะการบวชก็คือขาดแล้วขาดจากความเป็นแม่เป็นลูก เออตรงนี้ก็คือเดี๋ยวถามอีกปัญหาเท่าที่ทราบมาคือพระเจ้าได้ยืนเดินนั่งนอนในยาบทย่อยอย่างมีสติและสัมปชัญญะและจิตกร็รู้ทีละหนึ่งอีกท่านเน้นเรื่องโยนิสโสมนสิการท่านให้มีสติสำเร็จในการปฏิบัติธรรมเวลาทานข้าวก็จะมีอียบท ย่อยมากมีการหายใจแต่ลมหายใจเข้าออกแล้วไม่ค่อยได้ใส่ใจการบริโภคอาหารทำให้รู้สึกเครียดเล็กน้อยและทานข้าวได้น้อยกว่าปกติ อ, อ, อะไรนีเหมือนอืดท้องจริงๆควรทำอย่างไรจรึงจะถูกต้องหรือให้รู้ลมหายใจสลับอาการเคี้ยวข้าว อ๋อ oh, เข้าใจแล้วคืออย่างนี้ในกรณีแห่งการที่บอกว่าการการรู้ลมหายใจด้วยการกินอาหารถามว่ามันมันขัดแย้งกันไหมไม่ได้ขัดแย้งนะคือการรู้เนี่ยไม่ใช่เหมือนเหมือนอย่างที่บอกไว้แล้วนะั่นแหละที่บอกว่าจิตเนี่ยมันเร็วมากโยมจิตนี่มันเร็วมากแต่เหตุผลที่ให้กําหนด ลมหายใจทุกๆุกียาบทเนี่ยถ้าทําได้เนี่ยเพราะเหตุผลก็คือทําอย่างไรหนอที่เราจะคุ้นเคยกับลมเหตุผลที่ยอมเครียดเนี่ยที่เป็นไปจากอาการเครียดเนี่ยเพราะว่าพอยอมอึดอัดและยอมไม่เคยนั้นยอมต้องฝึกจิตให้เกิดความสํารวมระวังและให้ยอมชื่นใจนะที่ยอมได้มีสติได้อยู่กรรมฐานที่เป็นกรรมฐานหลักกรรมฐานที่เป็นประธานก็เหมือนเราอยู่กับพระเจ้านั่นแหละ ถามว่าทำไมามาไม่แนะนำให้พิจารณาอาหารไปเลยเพราะตรงนี้เบื้องต้นจริงๆเนี่ยเพราะเรามีเวลาในการฝึกในการเจริญอาณาปณะสติกันน้อยนะเพราะว่าจริงๆก็คือถ้าเราจะไปพิจารณาอาหารเลยก็ได้แต่ว่าหลักการตรงนี้ที่บอกไว้เพราะว่าทำอย่างไรก็ได้ให้ใจอยู่กับกุศลเมื่อใจอยู่กับกุศลแล้วเนี่ยแม้เราทานอาหารไปก็ไม่เป็นบาปไม่เป็นบาปด้วย ถือว่าเป็นบุญด้วยเพราะในขณะที่เรากําลังทานอาหารหรือกินอาหารเข้าไปอยู่เนี่ยใจเราก็น้อมเคี้ยวข้าวไปแต่เราก็น้อมมันรู้สลับไม่ไม่มันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยเหมือนยอมนั่งฟังธรรมเนี่ยยอมคิดถึงบ้านไหมคิดถึงที่อื่นก็ได้ด้วยไหมเห็นไหมมันก็ไปด้วยเพื่อเพอยอมคิดถึงโลกวันไม่รู้กี่ร้อยครั้งเพราะรักลูกมากอะ่ะใจก็หวนไปตลอดหรือคิดถึงแฟนว้างคิดถึงเห็นไหมเนี่ย มันก็ไม่สามารถคอนโทรลอะไรได้เลยแต่นี้เราตั้งใจแต่ไม่ได้ตั้งใจแบบเครียดนะตั้งใจแบบให้จิตสบายจิตมีความสุขในขณะที่ทานอาหารไปก็สังเกตลมไปมันอย่าให้มันเครียดเราไม่ใช่ไปตั้งใจจะดูลมดูลมอย่างจริงจริงยังจ ง, จ ง, จงนะในขณะทานอาหารเนี่ยเพียงแต่ว่าสํารวมระวังแทนที่จะไปคิดเรื่องอื่นเพื่อฝึกความคุ้นเคยกับลมเท่านั้นเองแตนี้ประเด็นบอกว่าเอา้าในการ เดินยืนนั่งนอนทําไมไม่พิจารณายี ย, ยบด์ตามหลักของสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าบอกว่าคัดชั้นโตวาคัดชามีติประชานาติเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเดินอยู่ใช่ไหมล่ะนิสินโนวานิสินโนสวามีติประชานาติเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าบัดนี้เรานั่งอยู่สยาโนวาสยาโนมีติประชานาติเมื่อนอนก็รู้ชัดว่าบัดนี้เรานอนอยู่เป็นต้นตรงนี้ที่ยังไม่ได้สอนเยียบทบัพพาเลยเพราะเหตุผล เหตุผลเรายังไม่สามารถทําอาณาปณะให้ถึงความบริบูรณ์ได้แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งยอมฝึกอาณาปณะสติจนได้ถึงระดับหนึ่งแล้วเวลาเดินนั้นเนี่ครูอาจารย์ทั้งหลายก็จะไปสอนว่ากําหนดยังไงในยาวดเดินนะซึ่งไม่ใช่เรื่องยากแต่ขอให้เราเนี่ยฝึกอาณาปณะให้ถึงจุดที่พึงประสงค์ก่อนเมื่อถึงจุดนั้นต่อไปจะสอนทุกอย่าง เพราะว่าอานาปณะดังบอกบอกไว้แล้วว่าจะสามารถเป็นประธานกรรมฐานแล้วก็จะแพ่ในการที่จะน้อมไปสู่บทบับอื่นหรือยาบทอื่นเนี่ยได้ง่ายเลยสะดวกหมดแต่ตอนนี้จิตเรายังไม่ครบองศ์แปหนึ่งจิตยังไม่ตั้งมั่นสองจิตยังไม่บริสุทธิ์สมจิตยังไม่ผ่องใสยังไม่โปร่งไม่โล่งไม่เกลี้ยกล่ำไม่ปราศจากสิ่งมัวหมองยังไม่นุ่มนวลจิตยังไม่ควรต่อการเอาไปฝึกไปใช้งานให้มากมายอย่างนั้น แล้วก็จิตยังไม่อยู่ตัวเพราะจิตยังวกแวกอยู่เนี่ยคือเหตุผลยังไม่ได้องคุณแปประการเมื่อได้องคุณแปประการเมื่อไหร่แล้วจิตนั่นแหละจึงจะพร้อมต่อการที่จะไปเดินอย่างอื่นเข้าใจนะเออเป็นอย่างนี้แหละอย่ารีบร้อนถ้ารีบเดี๋ยวหกหมด <laughs> อภการต่อมาอานาปนานสติสมาธิจัดเป็นสมาธิอย่างหนึ่งดังนั้นนิมิตและทำ ธรรมปีติทั้งห้าก็ย่อมเกิดขึ้นด้วยขณะเดียวกันก็จะเห็นสภาวะธาตุทั้งสี่ปรากฏหลังมีสมาธิแล้วเราจะทิ้งสภาวะธรรมเหล่านั้นเพิกเฉยไม่สนใจให้เพียงกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นหรือเนี่ยยอมนั่งเห็นดอกไม้ ส, สวยๆและถือโอกาส ถวายดอกไม้เป็นพุทธบูชาไปด้วยได้ไหมเ้ย <c oughs> ยอมถามปัญหากันดี่งังน่าอยากตอบทั้งวันทั้งคืนอย่างยงมเนี่ยเออคืออย่างนี้อาณาปณะสติเนี่ยเวลากำหนดไปเนี่ยถามว่าดังที่ได้กล่าวป ร, ประโยคมันอยู่อย่างเมื่อกี้ ถ้าตอนนั้นสมมติว่าดอกไม้ไปนั่งคิดถึงดอกไม้ก็น้อมอยากจะถวายดอกไม้เป็นพุทธบูชาเห็นไหมว่าตรงนี้ออยอมออยอมจะเป็นนักกีฬาเนาะเขาบอกว่าต้องเก็บตัวฝึกสามเดือนสมมตินต้องฝึกเนี่ยสามเดือนแต่ยอมลากลับบ้านเรื่อยเลย ลากลับบ้านเรื่อยเลยเดี๋ยวพอห้าวันหกวันขอลาไปเยี่ยมลกูกอยู่อยู่กับลูกสักสองสาวันก่อนเดี๋ยวสี่ห้าวันลาไปอีกแล้วลาไปอีกแล้วยอมเวลาจะขึ้นไปแข่งขันกับเขาเนี่ยยอมว่านักกีฬาคนเนี้จะคว้าเหรียญทองได้ไหมได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดหรอกนี่เหมือนกันจิตเนี่ยแทนที่จะปึกให้เป็นเรื่องเป็นราวมันดีทั้งนั้นแหละมันมีอีกเยอะเรื่องดีๆเนี่ย แต่ขอให้แข็งแรงกว่านี้ก่อนได้ไหมเออกำลังยังไม่ดีพออย่าเพิ่งไปแบกน้าหนักมากนะตอนนี้แทนที่เราเนี่ยจะสะสมพลังจิตให้มันได้จนมีพลังเหมาะสมกับการไปเดินวิปัสสนาญาณต่อไปในได้วิจัยแนย่ไม่ต้องห่วงแต่ถ้าไปวิจัยตอนนี้หรือไปไข้ควรตอนนี้มันไปไม่รอดดังที่ได้กล่าวนั่นแหละมันเลยไปไปตามกิเลสถูกกิเลสชักนา ฉะนั้นตอนนี้อยู่เวลาเก็บตัวในการที่จะเจริญอาณาบรรณะก็ให้ตั้งใจฝึกให้เต็มที่ในการเจริญอาณาบรรณสติเมื่อร่างกายมีการปวดเมื่อยผู้ปฏิบัติควรพยายามนั่งต่อไปคือไม่คิดถึงอาการปวดซึ่งรบกวนสมาธิหรือเริ่มต้นผ่อนคลายร่างกายตั้งกายตรงใหม่เพราะร่างกายเก่งแล้วขอความกรุณาญา์ช่วยชี้เนี้ยสองกรณีนี้เป็นบ่อยใช่ไม คือจเจริญไปแล้วเนี่ยต่อไปมันปวดมากให้สังเกตว่าพอทนได้ไหมถ้าทนได้ก็ไม่ใส่ใจแต่ถ้ามันทนไม่ได้จริงๆขยับไม่เป็นไรนะขยับไปได้เลยขยับถึงแม้ขยับไปก็ก็จิตก็ไม่ใช่ไปที่ขยับอย่างเดียวก็ยังพยายามที่จะน้อมดูลมอย่างต่อเนื่องด้วยนั่นไม่เป็นไรนะจะขยับไปยืนบ้างถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ย ไม่ใช่ห้ามไม่ใช่ห้ามปฏิบัติทำไม่กนะ้าวหน้านับลมเข้าออกหนึ่งถึงแปดแล้วอยู่อย่างเดิมทำอย่างไรจึงจะกนะ้าวหน้าเรียนวิธีปฏิบัติให้กนะ้าวหน้านับให้สังเกตวิธีนับยอมอยู่กับตัวเลขไหมหายใจเข้าออกนับหนึ่ง ให้สังเกตดูตอนนั้นนะ่ะกำลังของสติแนบชิดติดกับลมไหมสตินะ่อยู่กับที่ลมหรือไม่หรือไปอยู่ที่ตัวเลขสังเกตนี้เนาะถ้าไปอยู่ที่ตัวเลขมันจะได้แค่ตัวเลขสมาธิจะไม่มีพลังนะฉนั้นจะต้องเห็นลมกระทบเข้ากระทบออกกระทบเข้ากระทบออกอย่างต่อเนื่องไม่นับไปด้วยถ้าไม่เห็นก็เริ่มนับใหม่นะ บางทีมันนับได้1ถึง8เราต้องคิดนะว่าบางทีเรานับหนึ่งได้หนึ่งถึงแแค่นั้นแล้วสมาธิมันจะขึ้นฟืดเลยได้ไหมได้ไหมมันไม่ได้หรอกทุกอย่างมันก็จะค่อยๆดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนให้สังเกตนะตอนโยมผสมอักษรกออากกออาก า, กอ า, กาขออาก า, าขอขาอะไรเนี่ยนะนะกไก่ขอไข่ขอควรเนี่ยโยมต้องใช้เวลานานไหม ตอนสมัยนึกถึงตอนอนุบาลทีนานไหม่าจะเขียนหนังสือได้แต่ละตัวหุยเดินหลายรอบครูปวดหัวแล้วปวดหัวอีกนะและเมื่อเขียนได้ทุกตัวแล้วทั้งพยัญชนะทั้งไรครบเบสเสร็จทีนี้ต่อมาจะมาผสมในการที่จะให้อ่านได้ยิ่งยากไหมมันก็เหมือนกันเลยโย่บางทีมันไม่ไ ม, ไม่ยากหรอกแต่อยากขออย่างเดียวอย่าร้อนลนอย่าใจร้อน นะเพียรพยายามทําต่อไปแล้วที่สุดจะประสบความสำเร็จได้การพิจารณาอาหารเพื่ออะไรทำไมเราจึงต้องวางช้อนทุกคำที่ทานอาหารด้วยเราไม่สามารถทานแบบปกติแต่สำรวมได้หรือไม่ออมาเข้าคอร์สปฏิบัติก็มีรูปแบบการทานอาหารแบบนี้กับผู้ปฏิบัติ ต่ยอมไม่เคยเห็นพระสงฆ์ทาแบบนี้มาก่อนโอ้โหกระทบถึงอาตมาเลยนะเนี่ยกระทบถึงอาตมาเลยเออการพิจารณาอาหารคืออย่างนีถ้ถ้าหลักการพิจารณาอาหารนะ ปฏิสังขายนิโสปินธปาตังปฏิเสวามิเราย่อมพิจารณาแล้วก็คือว่าหลักการหลักการพิจารณ า, าหารเนี่ยเรื่องมันยาวนิดหนึ่งนะตรงนี้คืออย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนพระภิกษุว่ามีสองสามีภรรยาเดินทางกันดานพร้อมโดยบุตรน้อยระยะหนทางก็คือร้อยยอด เตรียมสบียงอาหารไปแต่พอเดินไปได้50าสิบโยต์สเบียงอาหารที่นําไปมันหมดทีนี้พอหมดแล้วสองสามีภรรยาก็กตกอยู่ในสภาพอากาศก็ร้อนและเป็นทะเลทรายด้วยก็อยู่กับต้นไม้แห้งตายซากอยู่นั้นน่ยของอาหารหมดกินแล้วฝ่ายสามีก็บอกแม่ฉันไม่สามารถทําหน้าที่ยึงความเป็นพ่อเป็นผู้นําได้ดีเธอกับลูกจงฆ่าฉันเถอะ แล้วก็จนเก็บเนื้อส่วนที่พอจะติดเนื้อติดตัวไปได้เอาเนื้อฉันกินไปในระหว่างทางกะระยะเวลาเพื่อให้เดินข้ามพ้นจากกันดาร น, นี้ไปได้ให้ภรรยาก็เสนอมุมนี้เหมือนกันก็สองสามีภรรยาเสนอกันใบเสนอกันมาก็ชั่เลืองมองหนูลูกน้อยก็บอกเออเอางี้ดีกว่าเรามีลูกเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาใหม่ก็ได้ก็ฆ่าลูกกินไดเลย คุยไปคุยมาก็ไม่มีใครค่าพ่อก็ให้ลูกไปหาแม่แม่ไบลูกหาลูกลูกเดินกลับไปกลับมาก็เป็นลมตายพอลูกตายแล้วสมใจอย่างสมใจไหม ย, ยอมสมใจไหมลูกตายแล้วสมใจอยากไหมก็เลยเอาลูกม า, มาฉีกเนื้อลูกกินถามว่าพ่อและแม่ที่กินเนื้อลูกเนี่ยหนึ่งเนื้อไม่ได้ยา่าง เนื้อไม่ได้ใส่เกลือเนื้อนั้นไม่ได้ทําให้สุกนะถามว่าคนกินเนื้อบุตรของตนเองจะกินด้วยความเมามันได้ไหมยอมว่าได้ไหมได้ไม่ได้กินแล้วไปอวดคนอื่นได้ไหมแล้วก็สามารถบอกฉันมีเนื้อดีๆกินอวดได้ไหมจะกินด้วยความอร่ามอร่อยกินด้วยความเมามันต้องกินด้วยน้ําตาลนองหน้ากินด้วยน้ําตาลนองหน้าหลักการพิจารณาอาหารเนี่ย มันเรื่องปัญญาอยอมไม่ใช่เรื่องรูปแบบเห็นไหมมันจะกินด้วยน้ำตานองหน้ากินกินก็พิจารณาภิกษุต้องเหมือนสองสามีภรรยาอย่างนี้แหละเอามันนึกถึงสองสามีภรรยาเหมือนสัตว์ทั้งหลายในจักรวาล น, นี้แหละที่กำลังเดิมเนินกันอยู่บุตรบุตรก็เหมือนกับญาต ของเราทั้งหลายที่เดี๋ยวนี้บางทีก็กเปละอาถาพเป็นกบก็มีเป็นเขียดก็มีเป็นปลาก็มียอมเชื่อไหมว่ามนุษย์ตายแล้วเกิดเป็นปลาได้อะนั่นก็คือญาติญาติเรานี่แหละเป็นลูกเราเป็นปู่เป็นตาเป็นย่าเป็นยายเรานี่แหละนั้นเวลาเรากินกลุ่มญาติทั้งหลายเหล่านี้ก็ให้กินเหมือนสองสามีภรรยากินเนื้อบุตรนั้นน่ยยอมจะไม่อเลดอร่อยหรอกยอมจะไม่ไปอวดใครหรอกนี่เป็นสเต็กหมู ใช่ไหมล่ะมันจะกินด้วยอะไรยอมกินด้วยความสุขใจไหมแล้วกินด้วยอะไรกินว่าเออเราจะออกจากกันดารคือพบก็อาหารนี่แหละเราจะใช้อาหารนี่แหละเป็นเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนต่อการที่จะเจริญอาณาปณะสติและจะบรรลุให้ได้เราจะไม่อยากอยู่ต่อไปในสังสารวัฏเราไม่อยากกินบุตรของเราอีกแล้วเราไม่อยากกินพ่อกินแม่เราอีกแล้วเข้าใจไหมท่านในพิจารณาแบบนี้ นี่ดีนะปัญหานี่ถามนี่ดีก็พิจารณาอย่างนี้ยอมยอมเวลากินอาหารยอมคิดกันแบบนี้ไหมคิดไหมคิดว่ายอมเห็นในกุ้งตัวหนึง่งยอมคิดถึงใครเห็นปลาเนะี่ยยอมคิดถึงใครเห็นเนื้อยอมคิดถึงใครถามว่าเนื้อของท่านผู้นี้ยเคยเกี่ยวข้องกับเราไหม เคยไม่เคยพุทธเจ้าบอกว่าไม่เคยเป็นบุตรเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นญาติมิตรไม่มีสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่มียอมเชื่อไหมเชื่อพุทธเจ้าไหมเชื่อไม่เชื่อเชื่อไหมแล้วบอกเคยอยากเกิดเป็นปลาทําไมกินได้เลยได้ไหมเมื่อกี้ได้ไหมนั้นตรงนี้ให้ไข้ ค, รควรอย่างนั้นยอมเศร้าใจไหมพูดอย่างนี้แล้ว เศร้าไหมเศร้าใจไหมอย่าเศร้าใจให้เกิดสังเวคะบอกว่าเราต้องออกจากวัตฏะแน่ๆอยู่ไม่ได้แล้วเรามานั่งกินกันอยู่ทําไมเนี่ยสังสารวัฏเนี่ยไม่กินมันอยู่ไม่ได้ยิงนั้นจะตายยิงนั่นเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วในสังสารวัฏเนี่ยเอาละเราจะเอาอันนี้ะเป็นปัจจัยเกิดหนุนแต่การเดินออกจากสังสารวัฏให้ได้เนี่ยพี่เจารณาอย่างนี้อยู่ ยมถ้าปัญหาไหนยังไม่ชัดเจนยมยกมือขึ้นได้นะว่าเออขอขออีกมุมหนึ่งเวลากําหนดลมหายใจสามารถระลึกถึงบิดามานาได้ไหมถ้าระลึกแล้วทําให้หลุดจากการกําหนดลมหายใจด้วยอย่างไรก็คือว่าเออมันการไประลึกไปในลมอื่นสลับไปอย่างงาอย่างเงี้ยมันระลึกได้แต่เมื่อทําอย่างนั้นแล้วจะกลายเป็นคนที่กําลังของสมาธิไม่ตั้งมัน่น เมื่อกำลังของสมาธิไม่ตั้งมั่นแล้วเมื่อไหร่ล่ะจะพ้นทุกข์แล้วเมื่อไหร่ละ่ะเมื่อเราทำอยู่อย่างเนี้ยแล้วจะไปต่างอะไรกับคนทั่วไปที่ไม่ปฏิบัติคนทั่วไปไม่ปฏิบัติเนี่ยเขาอยากคิดถึงใครก็คิดไปหมดคิดถึงพ่อถึงแม่ถึงพี่ถึงน้องถึงลูกถึงหลานถึงสีเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ก็จิตนี้มันสซ่านมันมันเป็นนี้มานานแล้วในสังสารวัตรมันอุท่านอุปมาเหมือนลูกบัวมยศเนี่ยเหมือนกัน จิตของภิกษุจิตของโยคีทั้งหลายที่ไม่ได้ฝึกการปฏิบัติก็เป็นอย่างนี้แหละมันวิ่งออกนอกวิถีโดยเฉยเดียววิ่งออกนอกทางอย่างเดียวเดี๋ยวพอเรามานั่งสงบสงบหน่อยก็อยากจะคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปทั่วหมดมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วยอมนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ปลีกตนเองออกมาในที่ปฏิบัติแล้วก็มาฝึกในการกําหนดดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นต้นเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ฉลาดพระพุทธเจ้าเนี่ยฉลาดกว่านักธรณีวิทยา คือฉลาดพื้นที่ท่าเกตุรู้ไหมว่าเวลาปฏิบัติทําไมพระพุทธเจ้าให้หลีกเล่นออกมาทําไมไม่บอกว่าในโรงภาพยนตร์ก็ทําได้ทําได้ไหมไม่ได้ในร้านอาหารก็ทําไม่ได้ในหลักการจริงๆที่จะมาฝึกจริงๆจัง ๆ, ๆเนี่ยมันไม่มเกื้อฉะนั้นก็หลีกเลนออกมาพรุทธเจ้าใช้คําว่าอารัญญคตวารุคมูรคตวาสุญยาคารคตวาเป็นต้นก็คือนั่นแหละพระพุทธเจ้าฉลาดในสถานที่ปฏิบัติ ว่าสถานนี้เนี่ยเหมาะแก่การปฏิบัติหรือไม่เหมาะอย่างไรแต่เมื่อภาคกายออกมาแล้วจิตต้องภาคด้วยนะเมื่อากายภาคออกมาแล้วก็ต้องภาคจิตมาด้วยแล้วก็เพื่อให้เกิดความตั้งมั่นเกิดความสงบอย่างนี้เป็นต้นเวลาถูกพ่อแม่ดุด่าลูกควรวางใจอย่างไรไม่ให้เกิดความโกรธเอ่อวิธีวางใจเลิกเริ่มแรกเลยก็คือท่านให้พร มีรายหนึ่งในสมัยก่อนแม่ก็ดา่าบอกให้อยู่บ้านลูกก็บอกไม่อยู่จะไปแล้วเอาถ้าไปก็ขอให้เสือกัดตายให้ให้วิบัติลูกก็ไปเลยลูกก็ไปเลยนะไปไปไปเดินไปถึงกลางป่าโอ้เจอเสือริงด้วยเสือขวางทางอยู่ เด็กนมคนนี้ก็หลับตานึกในใจว่าเอ๊ะแม่แช่งเราให้เสือกัดให้สัตว์ร้ายกัดเราตายถทำปัทปรธร้ า, ายเราเอ๊ะอยากรู้ว่าแม่เนี่ยเกียดเราแฉ่งเราจริงๆหรือไม่เอาถ้าแม่ประาดทนายเราตายจริงๆเราก็จะตายตามอย่างที่แม่นั่นแนหะก็ไปยืนแล้วยืนต่อหน้าเสือเลยต่อหน้าสัตว์ร้ายนะั้นเลยสัต เอาแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานถ้าแม่หวังกับเราให้วิบัติก็ให้เสืออากัดแต่ถ้าแม่หวังให้ชีวิตของเราปลอดภัยนั้นก็อย่าได้ทําร้ายเราเลยตั้งจิตอธิษฐานอย่างนั้นพักหนึ่งก็ไปเลยเสือไปเสือเดินเข้าป่าไปเลยอันนี้บ่งบอกว่าแม่ดุด่านั้นเน่ยเป็นเพียงอากัปคริยาแต่ไม่ได้ปรารถนาะให้ลูกวิบัติตามคําด่านั้นจริงเข้าใจนะฉะนั้นพ่อแม่ยังไงก็ยังรักลูก ถึงจะด่าด้วยความโกรธยังไงก็ไม่เคยปราถนาให้ลูกวิบัติเลยแต่เป็นคนปราถนาให้ลูกได้ดิบได้ดีทั้งนั้นนั้นก็วางใจให้ถูกเพราะจริงๆแม่รักเรามากเป็นยิ่งเป็นห่วงมากก็ด่ามากเป็นห่วงน้อยก็ด่าน้อยงั้นถ้าแม่ด่าจะชื่นใจหรือเศร้าใจชื่นใจแม่ด่ามากๆดีเพราะแม่นี่แหละทาให้หนูได้ดไ ด, ดีขึ้นมาได้จะมีอะไรแม่เราใช่ไม ปัจจุบันคนนิยมนับถือศาสนาแต่หลายนิกายรวมกันเช่นนับถื อ, อ, อทั้งพุทธเทรวาตเอวยมหายานบางคนก็เอาศาสนาพราหมณ์ฮินดูว่างพุทธในญี่ปุ่นเซนบั่งมารวมกันอยากทราบว่าถ้าเราถือแบบผสมผสานกันแบบนี้แล้วจะเรียกว่าขาดไตรสันนิชคมหรือไม่ทั้งที่คนเหล่านั้นก็มั่นปฏิบัติบูบชาตามโอกาสอำนวยทุกๆปีปีละหลายครั้งแล้วก็ได้ในชีวิตประจําวันด้วย เออยอมไม่รู้นักปฏิบัติที่นี่เป็นแบบนั้นไหมเนี่ยยอมเคยเข้าไปที่ที่บ้านของตอนเองเคยเห็นสิ่งเคารพมีเยอะไหมมีพระเจ้าไหมที่บ้านมีพระธูปไหมมีพระธูปแล้วมีอะไรกล่ะมีพระพรหมอยู่ในนั้นไหมมีไม่มีมีพระพรหมได้ไหม มีพระศิวะั้มพระอิศวรพระพิคเนต <c oughs> มีมีเจ้าแม่วันยิมมีไหมเออตรงนี้คืออย่างนี้ว่าเมื่อวานที่มาพูดไงว่าพูดถึงพระหุงเวสรารนางยันติปปปตานิวนานิจ า, ารามรุขเจตยานิมนุษาพยาตชิตา คือมนุษย์เป็นอันมากเนี่ยเมื่อเกิดภัยพยายนันตรายมาแล้วก็ใครเห็นรว่าอะไรดีก็ามารวมๆกันหมดก็นับถือเดี๋ยวมาคือสมัยสมัยอายุทยาเนี่ยพุทธบริษัทในยุคต้นๆเลยเนี่ยเป็นยุคที่แข็งแรงในพระราตนตรัยมาก ในยุคนั้นนะ่ะคริสต์ศาสนาก็เข้ามาอิสลามก็เข้ามาพอมาเผยแผ่พระศาสนาเนี่ยแต่ชาวพุทธในยุคนั้นนะ่ะเป็นคนที่ตั้งมั่นมากแต่ไม่ได้ไปต่อต้านเขาไม่ต่อต้านมีสิ่งอื่นเป็นสิ่งเคารพก็เยอะแต่ว่าไม่ไปจริงจังไม่ไปจริงจังคือวางใจเป็นรู้ว่าอะไรเป็นสารณาที่แท้จริงอะไรเป็นสิ่งเสริมแต่ไม่ไปขัดแย้งเขา เนี่ยบางทีเราอาจจะได้ประวัติธรรมประเพณีนี้มาเนี่ยแต่ในปัจจุบันนี้เราไม่ชัดเจนในพระรัตนาตรายัยไม่ชัดเจนในพระราชาตรายัยฉะนั้นบางทีเราเข้าไปถึงทั่วพวบไปหมดเลยบางทีทำให้ความเศร้าหมองของสารณะเกิดได้จริงตรงนี้เราก็จะต้องมีความมั่นคงและสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือว่าสารณะเหล่านี้ว่าอะไรเป็นสารณะที่แท้จริงอะไรไม่แท้จริง ที่บางทีเราไปนับถือพระพรหมเนี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยว่าพระพรหมเนี่ยมาปฏิญญาณตนเองกับพระพุทธเจ้าว่าพระพรหมเนี่ยท่านไม่ได้เป็นสัพพัญยูตอนพระเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆใช่ไหมจําได้ไหมโยมที่นั่งอยู่นี้ใครเคยไปไหว้พระพรหมนี่เอราวันบ้างเนี่ยเคยไหมอ้าวไปไหว้มาเยอะเลยเนยีเดี๋ยวเล่าเรื่องพระพรหมไปฟังนิดนึงตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธเจ้าก็มาปาลบว่าโอ้โหเนี่ย มนุษย์เนี่ยเชื่อพระพรหมเชื่อพระพรหมแล้วคำสอนของเราที่ตัดสู้มาเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งเนี่ยสัตว์เหล่านี้ก็ไม่เงียบโสดลงฟังล็อกพระองค์ก็ขวนขวายน้อยไม่น้อมไปในการยีประกาศคำสอนพรหมก็เดือดร้อนพรหมก็พร้อมด้วยพรหมในจักรวาลทั้งหลายก็มาปรากฏเฉพาะหน้าแล้วก็มากราบทูล พ, พระเจ้าพรหมนี้ชื่อว่าเทา้าสามมดีพรหม สหบดีพรมเนี่ยก็มาบอกตนเองบอกว่าข้าพระเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยโปรดแสดงธรรมเถอดถ้าพระพุทธเจ้าไม่แสดงธรรมนั้นโลกจะวิบัติคือสัตว์โลกทั้งหลายก็จะมึนกันหมดก็จะไม่สามารถรู้อะไรควรหรือไม่ควรพระเจ้ า, าบอกว่าสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยเชื่อพรมไม่ใช่เชื่อพระพุทธเจ้าพรมก็บอกว่าพระเจ้าบอกงั้นขอสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจงปล่อยศรัทธาหลุดออกมาจากพรม เข้ามาหาพระเจ้าเสียพรมก็มาประกาศว่าตนเองเนี่ยเป็นสาวกของพระเจ้าอาดีตนั้นตนเองชื่อว่าสหากาภิคุกทำปฐมชานให้เกิดขึ้นจึงมาเกิดเป็นพรมได้นั้นตนเองไม่ใช่สารณะไม่ใช่ที่พึ่งของสรรพสัตว์และไม่ใช่ผู้สร้างด้วยเพราะสัตว์ทั้งหลายนะ่ะเกิดขึ้นมาด้วยกลังกรรมที่สัตว์ทั้งหลายนั้นทำเข้าใจไหม เอาละตอนนี้ก็มนุษย์ในยุคนั้นก็รู้กันหมดเลยเขาก็พลอยกันล า, ลาลาทิ้งพรมเขารู้แล้วพรมไม่ใช่ผู้สร้างแต่เขาขอบคุณพรมอ่ะที่มีรูปพระพรมเนี่ยขอบคุณในฐานะอาราธนาให้พระเจ้าโปรดเลี้ยงโยมฉะนั้นถ้ายอมจะไปไหว้พระพรมไหว้ให้ถูกไหว้ในฐานะที่ไปไหว้แล้วอจะไปติดอยู่ที่พรมให้เดินพ่านพรมให้ไปเฝ้าพระเจ้าเข้าไปถึงโยมต้องบอกว่าขอบคุณท่านเท้ามหาพรม ที่อาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มาโปรดข้าพเจ้าข้าพเจ้าทราบซึ้งในน้ําใจของท่านแต่ข้าพเจ้าไม่ขอถึงท่านเป็นสลาณะเพราะข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสลาณะถ้าไม่มีท่านพระพุทธเจ้าก็จะไม่แสดงธรรมโปรดข้าพเจ้าฉะนั้นข้าพเจ้าขอบคุณท่านสามารถเอารูปของท่านมาเป็นที่เคารพได้ใช่ไหมยอมรู้แบบนี้ไหมยอมไปขอบคุณท่านอย่างนี้ไหมเวลาไปไหว้ทุกครั้ง รี่ยอมไปขออะไรจากท่านขออะไรฉะนั้นต่อไปก็ทำเข้าใจให้ถูกถ้าถูกอย่างนี้เราจะชื่นใจไม่ยอมบอกโอ้พระพรมนี้เองเป็นผู้อาราธนาพระพุทธเจ้าของเรามาสปรว์นั้นเราจะอยู่ในนี้ก็มีพระพรมก็ไม่เป็นไรนะก็ไปกราบบอกโอ้เนี่ยแต่ที่จะถึงจริงคือพระพระุทธเจ้าใช่ไหมต้องขอบคุณว่าเพราะพระพรมนี้แหละ ราตนาพระเจ้าให้มาโปรดพวกเราท่านมีบุญคุณมากแต่ไม่ใช่ไปว่าพระพรหมในฐานะว่าพระพรหมเป็นสรารณะถ้าไปทำอย่างนี้สรารณะจะเศร้าหมองการปฏิบัติไม่ขึ้นการปฏิบัติเราจะไม่ขึ้นเอา้าเข้าใจหรือยังตอนนี้ชัดเจนนะยมนะนั้นอย่าไปขออะไรท่านอย่าไปร้องขอรอผลดนบันดาลจากท่าน เพราะท่านประกาศเองว่าท่านดนบันดาลอะไรไม่ได้ท่านประกาศเลยท่านดนบันดาลอะไรไม่ได้เพราะท่านไม่ใช่ผู้สร้างโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยสรรพสัตว์ ท, ทั้งหลายเกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยตามกรรมที่สัตว์ทั้งหลายทําไว้ไม่ใช่เกิดขึ้นได้น้ำเนือหรือได้อนุภาพของพระพรบันดาลหรือสร้างขึ้น <laughs> ยังชัดเจนหรือยัง อากลับไปถ้ามีพระพรหมอยู่ที่บ้านทําไงต่อเอาไปกราบท่านได้ไหมได้ไปบอกท่านใหม่ว่าขอโทษ ว, วันก่อนเข้าใจท่านผิด <c oughs> เข้าใจว่าท่านคือผู้สร้างท่านคือผู้ดนบันดาลวันนี้ดิฉันเข้าใจแล้วขอเข้ามาท่านด้วยท่านเป็นพระอริยใช่ไหมท่านเป็นสาวกพระพุทธเจ้าหวัวเพิ่งรู้ความจริงวันนี้ ยอมว่าพระพรมมีสีหน้าจริงไหมจริงไหมถามจริงอะ่ะเอาใครว่าพระพรมมีสีหน้ายกมือหนึ่งมาถามหนอ่อ่ะอยอมยกใช่ไหมว่ามีสีหน้ายอมเชื่อหรือว่ามีสีหน้ายอมก็เห็นเลยเห็นตัวจริงท่านเลพระพรมพระพรมไม่ได้มีสีหน้าไม่ได้มีสีหน้า พรมที่ทำสีหน้าไว้เพราะท่านขับเน้นพรมวิหารธรรมสีเมตตาหน้าหนึ่งกรุณาหน้าหนึ่งมุทิตาแล้วเบขานียโยมนะถามว่าพรมวิหารเนี่ยเขาให้ใช้ทีละหน้าหรือใช้พร้อมกันสีหน้าใช้ทีละหน้าเปลี่ยนหน้าให้ถูกเหมือนกันต้องการจะสอนพวกเรานี่ยโยมใช้หน้าพรมไม่ถูกเอาในยามที่เขาปกติเนี่ยโยมควรใช้พรมหน้าไหนหน้าเมตตา ในยามที่คนอื่นเขาประสบทุกข์ใช้พรมหน้าไหนใช้เมตตาได้ไหมโอยหวังรักท่านนะที่ท่านเป็นทุกข์ได้ไหมไอ้กรุณาถ้ายามที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตใช้พรมหน้าไหนใช้มุทิตายามที่สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมใช้หน้าไหนใช้อุเบกขาได้ไหมอายามคนป่วยเนี่ยอยามคนป่วยนอนเศร้าในโรงพยาบาลเนี่ยยินดีกับท่านด้วยนะได้ไหม ยินดีด้วยนะที่ท่านป่วยไม่ได้เห็นไหมว่าใช้พรมผิดใช้ผิดหน้าพรมสีหน้าก็หมายความว่าให้ใช้ทีละหน้าสลับหน้าให้ถูกเปลี่ยนหน้าให้ถูกคือให้มนุษย์เนี่ยเปลี่ยนหน้าให้ถูกแต่ไม่ใช่พรมสีหน้าสีหน้ามีสีจมูกแล้วท่านจะนอนยังไงยุ่งกันใหญ่เลยเดี๋ยวนี้จะมาเลยเดี๋ยวยุ่งเขาใจย่าง เออตอนนี้เข้าใจแล้วกลับไปก็ไปกราบพระพรมใหม่ไปขอขามาท่านด้วยว่าเออเข้าใจท่านผิดเข้าใจท่านผิดวันก่อนวันก่อนนึก ว, ว่าท่านจะดนบรรดาลอะไรให้ดิฉันได้แท้จริงท่านเป็นผู้อาลาธนาพุทธเจ้าให้มาโปรดฉันขอบพระคุณท่านจะตั้งท่านไว้ในฐานะเป็นผู้เคารพเพราะท่านมีอุปการะคุณต่อพุทธศาสนามากนี่แหละคติที่สร้างแต่ที่แรกเป็นแบบนี้แหละโยม ที่แรกสร้างแบบนี้เพื่อให้เป็นคติว่าเราอย่ า, อ ย, าอย่าลืมบุญคุณท่านผู้นี้นะแต่ทุกวันนี้ตเตลิดแล้วตั้งแต่ผู้นาสูงสุดยันข้างล่างพาเราผิดไปหมดเลยตอเนียใช่ไหมผิดไปหมดโนนะโอ้อย่าพูดเลยไม่ดี <c oughs> ขอไว้เดี๋ยว ก, กะทบกะทังเดี๋ยวก็ไม่หานักปฏิบัติีกระทบกะทังไม่ดีไม่ดีดจุด รับรู้ลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกจำเป็นต้องจุดเดียวกันหรือไม่เพราะเวลาลมจะเข้ารับรู้ชัิที่ปลายจมูกแต่เวลาหายใจออกรู้ชัิที่ตอนริมผี ป, ปากเออคืออย่างนี้เออที่ถามดีนี่นี่นี่นี่ถาม ด, ถามดีถ้ารู้สองจุดเนี่ยสมาธิจะเคลื่อนอยู่ไงละยมให้สังเกตนะอันไหนเด่น เด่นยอมดูแค่ตรงนั้นมันอาจจะเห็นแค่ออกข้างเดียวก็ไม่เป็นไรนะให้ให้ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวสักพักก็จะรวมกันนะเดี๋ยวสักพักจะรวมกันเพราะถ้าหากว่าดูจุดที่ปลายจมูกมาดูจุดที่ริมทีปากป1 2 1 2หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองมันก็อยู่อย่างนี้ยอมนะยังไม่ได้ให้ดูจุดเดียวที่มันเด่นที่สุดเดี๋ยที่สุดเดี๋ยวก็จะชัด สามารถเปลี่ยนจุดรับรู้ได้หรือไม่เช่นตอนแรกรับรู้ที่ปลายจมูกด้านซ้ายจากนั้นก็ฟุ้งซ่านพอเรียกสติกลับมาก็มารู้ที่ปลายจมูกด้านขวาแทนสลับไปมาจะได้ไหมเออเออคืออย่างนี้ว่าให้ดูว่าบางครั้งบางคนอาจจะเห็นแค่ข้างเดียวก็ดูแค่ข้างเดียวไปก่อนไม่เป็นไรนะแต่ให้ดูชัดอย่าไปสลับไปสลับมาแต่ให้สังเกตดู ตรงไหนชัดที่สุดก็ดูณนะจุดตรงนั้นแหละนะแล้วที่สุดจริงๆเนี่ยมันจะายุ่งยากใหม่ๆนี่แหละนะบางทีแทบจะไม่เห็นเลยนะบางคนเนี่ยก็ให้รู้เข้ารู้ออกไปก่อนนะอย่าไปทุกข์ใจเพราะตอนนั้นกำลังของสติกำลังของสมาธิก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแต่เพียงว่ามันยังไม่มีกำลังพอยังไม่มีพลังพอยังไม่เด่นชัดพอเดี๋ยวที่สุดจริงๆก็จะสามารถเด่นชัดพอเป็นต้นได้ เดี๋ยวได้ให้ให้หมดนะเวลาผ้าจารย์มหาอนาจนำอุทิศ ส, ส่วนกุศลโยมมากจะมีน้ำตาซึมจากปีติให้รู้ด้วยหรือให้รู้ด้วยหรือไม่หรือไม่ใส่ใจสลับกับดูลมหายใจเข้าออกอ๋อในขณะที่นำแผ่ตอนนั้นไม่ได้ไปดูลมนะก็ให้ใจก็น้อมไปกับการแผ่ส่วนกุศลไม่ต้องไป ไม่ต้องไปรู้กลมตอนสวดมน์เนี่ยก็น้อที่จะสวดก็ระลึกบทที่เราจะสวดนะระลึกบทที่จะสวดไปเลยเพราะตอนนั้นกําลังทําภาวนาอยู่ก็คือกําลังสวดมนต์สาธยายอันนั้นเป็นภาวนากุศลนะตรงนั้นนะอาการที่ระลึกไปถึงคุณของพระเจ้าถึงไรน้ําตาไหลปีติเกิดอันนั้นเป็นอาการของกุศลเกิดเยอะ กุศลเกิดเมื่อเป็นเด็กได้ฆ่าสัตว์นังเช่นตบยุงตกปลาโดยไม่รู้จักบาปบุญไม่รู้จกักศีลบาปหรือไม่ออก็ก็บาปอลโยมรู้หรือไม่รู้ก็เป็นบาปแต่มันจะต่างกันนะต่างกันว่ามากน้อยอย่างไรก็ดูองค์ประกอบเหมือนเรามือจับทานไปนะะี่ลยโยมจับเมื่อไรร้อนเมื่อ น, นั้นแหละ จับก็ร้อนนั้นไม่ได้เอาประมาณว่ารู้หรือไม่รู้เอาประมาณว่าได้ทำให้ชีวิตสัตว์ตกล่วงไปไหมสัตว์มีชีวิตรู้ว่าสัตว์มีชีวิตมีจิตคิดจะฆ่าทำความเพียรเพื่อฆ่าสัตว์ตายลงเพราะความเพียรมันครบองค์อย่างนี้แหละก็เป็นบาปามีพระเถระรูปหนึ่ง ออกมาจริงๆต้องถอดแว่นใส่แววนเนี่ยยมอย่าไปกํลัคาญตามอาตมานะออกมาก็อยากกำลคาญตัวเองเหมือนกันแต่ไม่อยากให้บาปเกิดเพื่ อ, อมาไม่ไม่ถนัดใส่แว่นแต่ไม่ใส่มันมองไม่เห็นเออมีพระเถระรูปหนึ่งท่านชำนาญมากชำนาญในพระตรปิฎกในคําสอนของพระเจ้ามากมีอยู่วันหนึ่งก็คือพระราชานิมนต์ท่าน เข้าไปในวงังท่านก็รับนิมนต์นะเนี่ยเรื่องเกิดขึ้นที่ประเทศพม่านี่แหละในยุคที่มีพระลาชาเนี่ยนะท่านก็เข้าไปทีนี้ก็มีคนคนหนึ่งปลอมกายเป็นพระไปรออยู่พอเห็นพระเทลราะไปก็เลยตามพระเทเราะพระเทลราะก็นึกว่าพระลาชานิมนต์สององค์ ส่วนพระราชาและราชบริพารก็เข้าใจว่าพระที่ติดตามเนี่ยเป็นลูกศิษย์ตามพระเถระเข้าใจไหมนี่นี่ความความไม่เข้าใจแต่ว่าคนคนนี้ปลอมตัวเพราะมีวัตถุประสงค์นคนปลอมตัวเป็นพระเข้าไปเนี่ยวัตถุประสงค์คนนี้ก็คือว่าท่านคนนี้ก็คือว่าต้องการเอาจดหมายไปสง่งให้กับพระมเหสีของพระราชาท่านคนนี้แต่ก่อนเคยเป็นอมามตอยู่ในนี้ ต่อมาถูกจับได้ว่าไปแอบชอบพอระพิเหศรีก็เลยหนีออกไปนานต่อมาก็ไปแปลงกายบวชเข้าใจไหมแต่ต้องการจะเอาจดหมายไปส่งก็ตามไปไปก็ไปฉันในพระราชวังฉันเสร็จแล้วต่อมาก็จะเดินกลับให้สิทธ์ให้พรเทศอะไรเสร็จแล้วพระเทวราชก็จะเดินกลับพระนีิก็เดินกลับแต่พอเดินมาได้สักยะหนึ่งเนี่ยก็ แอบโยนจดหมายแอบวางจดหมายไอพ้พระติดตามเนี่ยแต่ตอนวางจดหมายไม่มีใครเห็นต่อมาในอมาตและพระราชาจับจดหมายได้ก็เลยกักยังไม่ให้พระกลับก็มาดูไอ้เาหนี้เขียนจดหมายเหมือนลายมือพระเถระเลยสวยไหมใครสวยอ่ะพระเถระสวยก็เลยจับพระเถระพอจับพระเถระแล้ว ก็ให้กลุ่มทหารเอาเอ า, เอากระทะน้ำมันมาตั้งแล้วเอาน้ำมันใส่เต็มแล้วก็ให้จับพระเถละโยนลงในกระทะน้ำมันพระเทละโดนจับอยู่อย่างนั้นแหละก็พิจารณาพิจารณาขันธ์ธยตนันอภิจารณาเนี่ย ตนเองเก่งท่านเก่งมากฉลาดม า, ากเพราะจับโยนฟึดเข้าไปก็เป็นดอกบัวด้วยกําลังฤทธิ์ของท่านเนี่ยนะตอนนั้นท่านยังเป็นปุถุชนอยู่เลยนะแต่ว่าท่านได้ฌานได้อภิญญาเนี่ยดอกบัวลอยอยู่ท่านก็เหยียบบนนั้นพอดีท่านก็ไปพิจารณาแล้วได้บรรลุบนกระทะ น, น, น้ํามันนั่นแหละแล้วท่านก็พิจารณาว่าเอ๊ะมันกรรมอะไรของท่านเนี่ยท่านถึงโดนจับโยนใส่กระทะน้ำมัน ท่านก็ย้อนอดีตปุ๊บอู้รู้ทันทีเลยสมัยท่านเป็นเด็กท่านเป็นเด็กมีมแมลงวันมาจับท่านท่านก็จับมแมลงวันเนี่ยได้ตัวใหญ่ๆเนี่ยเห็นเขี่ยวกระทะน้ํามันเข้าไว้โยนใส่กระทะน้ำมันเนี่ยคว่างใส่กระทะน้ํามันเนี่ยปุ๊บเข้าไปเนี่ยตายเลยนี่เหมือนกันท่านก็พิจารณ า, ากรรมโอ้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก่อนที่ท่านจะมาณนะหรืออเจอปริญญิพานในกระทะน้ํามันเนี่ยท่านก็กล่าวคาถาพุทธคุณ ถ้ารรมาคุณสังฆคุณแล้วก็เรื่องของมรณานุสติเนี่ยร้อยบทนะทุกวันนี้มีหลักฐานอยู่ท่านกัพลน า, าคุณเตะตามดับก่าวคาถาได้ร้อยคาถาแล้วก็ปล่อยให้จมลงในกระทะน้ำมันประลิพิพานในกระทะน้ำมันเห็นไหมเรื่องกรรมเนี่ยห้ามได้ไหมต่อ้มิริทห้ามได้หรือไม่ได้ไม่ได้ต่อยมิริทเนี่ยห้ามไม่ได้ ขนาดพระโมคค า, านาเนี่ยเหาะหนีทุกครัง้งเหาะหนีทุกครัง้งมีอยู่ครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายที่ท่านจะบริณิพ่านกรรมมันตามให้ผลท่านเข้าไม่ได้เข้าก็เข้าไม่ได้เข้าสมาบัติไม่ได้เข้ายัางไงก็ไม่ได้เข้ายังไงก็ไม่ได้ท่านพิจารณาโอ้กรรมมาตามท่านทันแล้วท่านจะล ย, ยอมให้โจรทบทบท บ, ทบจนละเอียดจนละเอียดไปแล้วโจรตายแล้วใส่กระสอบแล้วต่อมาท่านก็ประสาน ข้ามายังเก่าท่านก็ห่อไปฟอกพระเจ้าเวลาปรินิพพานแล้วท่านก็กลับไปปรินิพพานที่กาลสีลาเนี่ยเห็นไหมเรื่องอาุศสรลรกรรมเนี่ยเวลามันให้ผลเนี่ยยังไงก็หนีไม่พ้นนี่เป็นอย่างนี้แหละพระเจ้าตอนนั้นน่มีพระท่านเจริญกรรมฐานเจริญกรรมฐาน เกี่ยวกับอสุภา์เนี่ยเกิดเบื่อหน่ายตัวเองมากเลยให้คนฆ่าตัวเองบ้างอะไรบ้างเนี่ยฆ่าตัวตายบ้างในคนอื่นฆ่าบ้างพระเจ้าพิจารณ า, าดูแล้วห้ามไม่ได้เพราะพวกเนี่ยเคยกลุ่มท่านเหล่านี้เคย เ, คยเกิดเป็นในพานฆ่าสัตว์มาเยอะกรรมมันตามให้ผลเห็นไหมห้ามไม่ได้หรื อ, เ, อ, อเจ้าศักระเนี่ยที่พระเจ้าไปห้ามกองทัพของวิทูรภัชห้าสาครั้งเนี่ย พิจารณาโดยนิกรรมของเจ้าสกยะนี่เคยเบื่อปาเคยเอาเอายาพิษใส่ตรงในแม่น้ำเนี่ยจะต้องถูกล้างตระกูลพวกเราทั้งหลายถ้าเรารู้เรื่องเหตุกรรมและผลของกรรมเนี่ยเราจะไม่โกรธค้นบางทเีเราก็นั่นแหละทำปัจจุบันกรรมให้เต็มที่แต่ ท, ที่สุดจริงๆเนี่ยเมื่อกรรมจะให้ผลก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องวางอุเบกขา ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมนั่นแหละเป็นทรัพย์สมบัติของตนทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอาปนมมืออหังสุขีโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดอะหังอเวโรหโหมิ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 ขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอาหางสุขีอัตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนใน้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเทินสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์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 จองเป็นผู้มีความสุขรักษาตนให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเธอน้อมจิตในการที่จะแผ่เมตตาให้กับตนเองกระทำแผ่เมตตาให้กับสปปรรพสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นเพื่อนเรานะเป็นมิตรเรา มิที่เกิดเหมือนเรานี่แหละแก่เหมือนเรานี่แหละเจ็บเหมือนเรานี่แหละตายเหมือนเรานั่นแหละฉะนั้นจงมองมิตรด้วยจิตที่ผ่องใสด้วยใจที่เมตตายามมิตรปกติก็เมตตายามมิตรตกตามก็กรุณายามมิตรประสบความสําเร็จก็มุทิตายามที่มิตรทั้งหลายเป็นไปตามกรรมของตนเองที่ทาไว้ก็ให้วางใจเป็นกลาง ว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้ดยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นผู้มีความสุขอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอย่าได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตฟองร้ายเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเถิดน้องกุศ ล, ลจิต ที่เป็นไปกับความรากักความปรารถนาดีความเอื้ออาทอนแบบจับจิตจับใจนั่นแหละแผ่เมตตาจิตนะั้นให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ท่านเหล่านั้นนะ่ยมีความสุขปราศจากทุกข์มีจิตใจเบิกบานท่านเหล่านั้นปรารถนาทราบคอยได้ทราบปรารถนา ย, ยดอดคอยได้ยศปรารถนาความสุขคอยได้ความสุขให้สมปรารถนาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อก็นอก้อจิตไปในลักษณะอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าแผ่เมตตานะใจต้องไปจริงๆ ไม่ใช่แพรแต่ปากคุณภาพจิตต้องพองใสต้องเบิกบานจริงๆต้องเป็นไปลักษณะอย่างนั้นอ้าวต่อไปกราบพระกันนะ